ก็กราบคารวะพ่อครูและหมู่ทรงด้วยความเคารพอย่างสูงครับก็ขอจะเรียนทำสำนักดีพวกเราที่กำลังติดตามรับชมบุญนิยมทีวีอยู่ในขณะนี้นะหรือบังเอิญกำลังเปิดมาเจอคิดว่าในช่วงนี้ก็พวกเราที่เป็นแฟ น, นแท้ก็คงตามหากันอยู่นะเมื่อวานนี้ผมพอดี ไปกับทำงานด้วยกันนะครับไปดูกิจการของสิทธิ์เก่าซึ่งเขาไปเปิดร้านขายของซึ่งซึ่งก็ น, น่าทึ่งเหมือนกัน <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่ไม่กลัวพวกห้างดังๆอะไร <c oughs> ห้างมีที่ไหนเขาไปประกบอยู่ตรงนั้นเลยโข oh พร้อ ม, พ ร, อมพร้อมที่จะประกบนะครับนั่น <None. S 1> แล้วก็ที่ <ใจ S 1> ร้านถึงใจถึงครับ ทีร้านก็เขียนไว้บอกว่าหลักการของบุญนิยมคือขายถูกไม่ใช้ไม่ช่วยโอกาสอะไรอย่เงี้ยคือเขาประกาศตัวก็ดูว่าแม้เขาไม่ได้มีทุนหนาอะไรเงี้นะครับแต่อาศัยความจริงใจไม่ช่วยโอกาสเขาแม้สินค้าจะทุนไม่หนาหรอกชาวบุญนิยมไม่ทุนไม่หนาพวกเราตระกูลจนไม่มีหนานจนแล้วจนรอดนี่นามสกุลของขุนพลเขา ใ้ป๊อปลูกสังทองสีใสเขาไป <จด S 2> ตั้งนำส ก, กุลใหม่แล้วนำส ก, กุลจนแล้วจนรอดรวยอะไรนะครับรวยรวยตายหงาตายอะไรอย่างเงี้ยตายฮีวาอะไรอย่างงี้ย <c oughs> <c oughs> ซึ่งอก่ต้งการข้าก็จนแล้วจนรอดนะครับก็ก็ดูว่าการที่เขาแม้ถินค้าจะขึ้นราคาแต่เขาต้งซื้อมาอย่างเดิมเนี่ยเขาก็ไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาศัยควา ม, มซื่อสัตย์นั่นแหละ เารู้สึกว่าพอพัดเขงข อ, องแวะตรงนี้ก็ได้ขออธิบายตรงนี้ว่าทำไมเราจะสู้ได้เราจะสู้ได้เพราะว่าเราไม่ต้องรวยไม่ต้องมีทุนไม่ต้องมีสายปานยาวเขาเขาคิดว่าเขาเขาเาคิดว่าเขาเนี่ยแน่นะเราในสู้เขาไม่ได้เพราะเขาสายป่านยาวเขามีทุนเยอะพร้อมที่จะขาดทุนพร้อมที่จะมาสู้กับเรา เอามาลดดัมราคา<ำ>แข่งกันเขาพร้อมที่จะตำกับเราตากัเราตากัเราไปแล้วจนกว่าใครจะหมดก่อนกันนะเขาคิดว่าอย่างนั้นขอไข ค, ความให้ฟังจชัดเลยเพวกเราเนี่ยไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะสายป่านยาวมีทุนอยู่มากเพื่อที่จะมาขาดทุนแข่งกับเราเขาเนั่นแหละจะขาดทุนแล้วก็หมดก่อนเราเพราะว่าเราเองนะมันไม่มีจะขาดทุนหรอก มันมันไม่หมดหรอกเพราะว่ามันจะทยอยอย่างนี้แหละหมุนอยู่เงี้ยตามประษาะเราแม่ที่สุดนี่นะเราขายต่ำกว่นะาเขาแล้วน ะ, ะต่ํากว่าเขาแล้วนะพอขายต่ํากว่าเขาแล้วคนก็มาซื้อของราคาต่ําแน่นอนพอมาซื้อเราจะมีลูกค้ามาซื้อราคาต่ํานี่เยอะเยอะยะขึ้นเยอะขึ้นเขาก็จะต้องดั้มราคาลงมาแข่งเราให้ต่ํากว่าอีกเพื่อที่จะแย่งลูกค้าไปเขา ดำลงไปเนี่ยนะเขาขาดทุนของเราน่ขาดทุนพออยู่ได้ของเราแล้วเพราะฉะนั้นเราขาดทุนอย่างนี้แหละยืนอยู่เขาก็มาแข่งต่ำเราอีกก็ดึงคนไปพอดึงคนไปเขาก็ดึงคนไปขายขายขายคนเขาเขาก็ขาดทุนไปเรื่อยๆวันหนึ่งคนก็คนเขาก็หมดเราขายเงี้ยขายได้หรือไม่ได้เราก็พึ่งตนเองรอดอยู่แล้วขายได้หรือไม่ได้เราก็ไม่ต้องการรวย เราก็ขายแค่นี้ได้ไม่ได้เราก็มีกินมีอยู่กงินอยูแล้วเพราะเราเสดสละให้สังคมอยู่แล้วธรรมดาเราก็ธมากินก็เราพอกินพอใช้พอเสร็จแล้วเขาเองเขาขายไปขายมาทุนเขาขาดทุนจริงๆเขาก็หมดสายพ่านจะยาวขนาดรอบโลกนี่เลยก็หมดเราก็ยังอยู่เท่าที่เรามีแค่นั้นแหละ ไม่มีมากขึ้นหรอกแค่นั้นแล้วเราก็ขายอยู่ในราคาเก่านี่แหละซึ่งขาดทุนอยู่แล้วเขาสู้เราไม่ได้หรอกเขาหมดทุนแล้วเขาไปไม่รอดแล้วเขาจะขายต่อได้ตรงไห น, นขายอีกเขาก็ไปกู้เงินมามาขายอีกเอาที่แข็งก็ดีหมดอีไป อ, อีกเขาจะสู้ไหมสู้ไม่ได้หรอกในระยะยาวไม่มีทางสู้เราเลยเขาบอกสายป่านยาวเนี่ยสายป่านยาวของเขาเนี่ยจิตวิ ญ, ญญาณยาว จิตวิญญาณยาวจะต่างกันกับเขาเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ว่าใช้คําภาษาคำว่าอึดนะเราไม่ต้องอึดเลยแต่เรายาวกับเขาได้อย่างสบายสบายของเขานี่อึดอึดอดสักวันนึงก็ขาดใจไม่มีทางชนะหรอกอย่ามานั่งแอกเลยนะเพราะงั้นเราสามารถที่จะทําของเราได้เราไม่ดันไปแข่งกับเขาหรอกพอเสร็จแล้วก็าขายต่ำเราเราก็จะไปด้ําแข่งกับเขาอีกด้ําแข่งเขาสู้เขาจนกระั้งเราไม่อยู่ไม่ได้ไม่เอา แล้วก็เขาก็ต่ำขนาดที่เราอยู่ได้น่แหละต่ำขนาดนี้แล้วเขาจะด้มแข่งแข็งแข่งครับต่ำกว่าเราเขาอยู่ไม่ได้พราขาดทุนองเราเน่ยขาดทุนอยู่ได้ขอเขาเน่ขาดทุนอยู่ไม่ได้ของเขานี่ขาดทุนอยู่ไม่ได้แต่ของเรานี่ขาดทุนอยู่ได้ขาดทุนเพราะเราเองเรามีความพึ่งตนเองรอดมีส่วนเกิน เราขายต่ำกว่าราคาตลาดที่มันเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราจึงขาดทุนตามราคาตลาดแต่โดยจริงแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้อดอยากทรมานทรกรรมกินเนื้อ ก, กินตัวตัวเองเขาก็กินแขนกินขากินแข่งกินตัวกิกนมาจนกระทั่งหมดหัวไม่ใช่เราไม่กินตัวเลยนะ ซึ่งรายละเอียด น, นี้นะเขาคิดไม่ออกหรอกสู้ไม่ได้หรอกนั่นะนี่อัตมาแวะอธิบายตรงนี้ฟังว่ามันไม่เคยอธิบายหรอกตรงนี้นะรายละเอียดอันนี้ยังไม่เคยอธิบายแต่อธิบายนี่ใครฟังดีๆจะเข้าใจนะ่างที่เราทําแล้วเนี่ยเราปฏิบัติแล้วว่าเราขาดทุนนี่ขาดทุนอย่างไรขาดทุนส่วนเกินขาดทุนส่วนที่เราควรจะได้ตามระดับของมาตรฐานสากล เราขาดทุนส่วนที่จะได้ตามลําดับมาตรฐานสากลแต่เราเอาน้อยกว่าสากลเพราะเรากินน้อยใช้น้อยเราไม่เฟอ้อเราไม่เปืองเราไม่ถูกโลกโล ก, กีหลอกเอาไปแล้วจึงพอแรงงานเราเหลือแรงงานเราสร้างสรรได้มากกว่าที่เรากินเราใช้เราก็เอาส่วนเกินนั่นแหละมาขาดทุนให้แก่สังคมเอาส่วนเกินมาขาดทุนให้แก่สังคมแต่ของเขาไม่มีระบบนี้เขายังไม่อดไม่ลดเขายังมักน้อยไม่เป็นก็ไม่ล้วเขาอยู่ไม่ได้หรอกครับ ถ้าให้ดูนี่ของเขาเหมือนกับทำได้แค่อยู่เป็นชั่วครา ว, ว, ค, ราวครับแต่ของขอเรานี่นดูเด็กของเราไปทำเนี่ยทำได้ยาวยาวครับเขาบอกคาายสายปานยาวนี่สูของเราไม่ได้ของเราสายวิญญาณยาวไม่ใช่สายปาน จะดูเหมือนว่าเขาก็ยึดนโยบายหลักการบุนโยมเบื้องต้นนะครับที่ว่าต่ากระท้องตลาดอไม่ขายสินค้าที่เกี่ยวข้องกับใบยมุกแล้วก็คนทํางานก็จะต้องไม่มีอบายมุกย่างนี้มันทําให้เห็นถึงคุณภาพของคนแค่นี้แหละแค่ดับอบายมุกอย่างเดียวนี่รอดละครับเขาถึงรู้สึกว่าห้างใหญ่ๆก็ไม่น่ากลัวอะไรไม่กลัวไม่น่ากลัวแล้วก็เราไม่ได้ไปลบราค่าฟันเงินเขาไม่ได้ไปต่อตีลบราสู้สู้อะไรทําตามสัจจะครับ ขณะ น, นี้สมณะก็นายท่าก็พยายามไปติ ng เตือนติดเก่าเหมือนกันว่าอย่างไงก็อย่าไปหมกมุ่นกับเรื่อง ก, การค้ามากท่านตั้งคําถามนะครับว่าวันวันหนึ่งเนี่ยคนเราควรคิดถึงเรื่องอะไรอันดับแรกก่อนหนึ่งเรื่องบุญสองเรื่องครอบครัวครอบครัวคืออบุญคือชําระกิเลสนะครับอืมดูเหมือน สมุนพระามก็ตอบได้บุญคือการยำรั ก, กิเลสออกจากสันดานออจะ ม, มโมลีไว้ในสมุนพระรามนในตุนพระรามแล้วแหะครับเออดีแล้ะก็ท่านถามสามช้อยว่าหนึ่งควรจะคิดถึงเรื่องอะไรก่อน เ, ออเรื่องบุญสองเรื่องครอบครัวสามเรื่องเงินออแต่ดูเท่าที่ดูทิศทางแม่ติดเก่าเราก็ดูเหมือนว่าค่อนข้างจะคิดถึงเรื่องเงินกันก่อนอเพราะว่า S <S> <S เพราะว่าดูเหมือนว่าในทั้งคมเนี่ยถ้าไม่มีเงินเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตมันก็จะไปอะไรไม่ได้เลยกันกันเพราะครูจะต้องช่วยอธิบายหน่อยเะครับว่าทําไมคนเราถึงควรจะคิดถึงเรื่องบุญก่อนมันเกี่ยวกับวิธีชีวิตเกี่ยวกับการกินกัน<ด><ด>กอยู่อย่างไรคือเรื่องอทําไมถึงคิดถึงบุญก่อนก็เพราะว่าคําว่าบุญนี่คือการเรียนรู้ในการลดละกิเลส เมื่อคนเราจะลดรักกิเลสเนี่ยเรามีเบื้องต้นตรงกลางบรนปลายไม่ใช่เราจะพรีผลามลดพรวดไปหมดเลยไม่เราก็ขยับลงมาเราก็ลดไปเท่านี้ก่อนเข้าใจลดไปเท่านี้ลดไปเท่านี้ปฏิบัติแล้วอ่านจิตจนกระทั่งกิเลสมันลดจริงมันก็จะมักน้อยสันโดษมักน้อยลงได้แคดนี้พอพอแล้วก็น้อยอีกน้อยเท่านี้อีกแล้วก็พอพอแล้วก็น้อยอีกน้อยอ ก, ก็พอจนกระทั่งไม่ต้องมีเลยก็พอเมื่อไม่ต้องมีเลยก็พอแล้วเป็นไง หมดแล้วจบละไม่ต้องมีเลยก็พอเนี่ยมันจบละไม่ต้องมีเลยนะเรียกว่าไม่มีตัวไม่มีตนนอกจากว่าไม่มีตัวไม่มีตนแล้วเนี่ยมันมีระบบสัมพั์เราอยู่กับสังคมคนอื่นเขามีตัวมีตนอยู่บ้างเขาก็จะมีจิตตัวที่จะมากมากเขาก็จะแดงงานมากมากเนี่ยมันจะมีแรงงานทำ มันจะมีแรงการแรงแต่คนที่ไม่มักมากแล้วคนที่หมดกิเลสแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีแรงจะทํางานไม่ใช่ไม่มีแรงหนุนก็เลยไม่มีแรงอยากได้ก็เลยไม่มีแรงทํางานก็เลยไม่ทํางานก็เลยขี้เกียจนืดนืดอืดๆไม่ใช่มันจะไม่ใช่เลยปัญญามันจะรู้แล้วมันก็จะฝึกปลือตนเองจนกระทั่งขยันอย่างที่เรียกว่าเป็นปกติขยันอย่างเป็นปกติเลย แล้วก็ทำงานแล้วเราก็มีความรู้ความสามารถที่จะทำะแล้วเราก็สร้างสารรค์อยู่แล้วมันจะไ ป, ไปมีปัญหาอะไรมันก็จะเหลือจะเกินที่นี้ประเด็นที่ว่าคนที่มาลดละแล้วก็หมดไปได้จริงๆนั่นนะ่ะก็เพราะว่าเข้าถึงประมัดจริงอ่านจิตล้างกิเลสได้จริงและสังคมมนุษย์เนี่ย อย่างพวกเรานี่ไม่ได้ไปหมายความไปทำาล้กระโดดเดียวไม่มีใครพึ่งใครเราพึ่งกันละกันต่างคนต่างพึ่งกันละกันเพราะงั้นแม้ที่สุดเราเองเราหมดเนื้อหมดตัวแล้วเราก็ขยันอยู่ในภาวะที่เราทำงานขยันนี่แหละแล้วเราก็มกรอดสนดดไม่ได้ไปติดโลกีไม่ได้ไปติดอบายยมุกไม่ได้ไปติดโลกทางกา ม, มารมไม่ได้ิดไปติดรูปแลกลิ่นเสียงสัมผสัสลาบยศรู้ล้าฟู่ฟาอะไรก็โลกเขาเลย เพราะฉะนั้นเะไม่เปลืองไม่พรานเลยสมรรถนะความสามารถในคนแต่ละคนเนี่ยมันจะสามารถผลิตสร้างสรรค์หรือผลงานของตัวเองเนี่ยตีราคาแล้วมันจะพอกินพอใช้จะเหลือกินเหลือใช้เพราะคนเรากินไม่เกินกําลังคนหรอกไม่เกินกินกําลังเราเองหรอกเราจะกินยังไงยังไงก็ไม่เกินกําลังเราเองที่เรา ไม่ขี้เกียจเกินการนะเราขอยันพอสมควรเนี่ยพอกินสัตว์ได้ชานมันยังพอกินในตัวมันเองเลยคนทําไม่พอเรากินของตัวเองโอ้โหคุณตัวใหญ่เท่าช้างนร่อไงช้างมันเนีพอกินมันจะทํากินมันยังหากินก็มันได้อยู่รอดเลยแล้วคนมันจะไม่ได้ยังไงสรุปแล้วคนเราเนี่ยเมื่อปฏิบัติธรรมแล้วจะมีสมรรถนะ และความขยันสมรรถนะและความขยันทำงานอยู่แต่ละวันเกินกินเกินใช้เกินกินเกินใช้เหลือกินเหลือใช้เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องห่วงทีนี้มันจะมีภาวะป่วยภาวะมันทำงานไม่ได้ป่วยภาวะทำงานไม่ได้อันนั้นแหละจึงต้องพึ่งสังคมถ้าเราไม่สะสมเลยเราต้องพึ่งสังคมถ้าเราอยู่คนเดียวเราต้องพึ่งกินบุญ กินกองทุนที่เราจะต้องสะสมไว้ซึ่งมันจำเป็นต้องสะสมแต่ถ้าเราอยู่กับหมูก่กลุ่มสาธรณะโภคีแล้วเรามีกองกลางกองกลางก็ก็สะสมพอสมควรแล้ว ก, ก็สะพัดออกเท่าที่มันจะมีไปเป็นระบบของสังคมต่างคนต่างมุนเวียนต่างคนต่างทามันไม่ป่วยพร้อมกันร้อยคนหรอกในหมู่นี้คนร้อยคนมันก็ป่วยพร้อมกันรอยค น, นมันไ ม, นมนนน่มีนะมันก็จะป่วยไม่มากหรอกคนป่วยนอกจากหาจะลง ถึงเวลาบ้างมีโรคหาลงเพื่อโอ้โหป่วยพร้อมกันเยอะเลยอะไรก็เป็นข่าวข่าวกลางๆนานๆจะเจอสักทีหนึ่งวิบากแบบนี้แต่สามันแล้วมไม่ได้ป่วยพร้อมกันหรอกมานคนป่วยก็ไม่กี่คนแต่คนทํางานเยอะยิ่งอยู่กันเป็นหมู่เป็นกลุ่มอย่างเป็นปึกแผน่นเป็นปึกแผ่นอย่างที่เราอยู่เนี่ยมันไม่มีวันที่จะทําให้อะไรให้บกพร่อง มันจะเหลือกินเหลือใช้แต่ละคนซึ่งเป็นคนจริงอะนะไม่ได้เปลืองไม่ได้ผลาญอยา่างพวกเราทํานี่แหละนะอยา่างพวกเราตอบเดี๋ยวจะตอบนี่คนเขียนมามีบอกว่าตนทุกวันนี้สงสัยพวกเราที่จะกลายเป็นทุนนิยมหรือบุญนิยมกันแน่เดี๋ยวจะได้ไขความเดี๋ยวได้พูดอนันนี้จบท่านจะมีอะไรต่อก็นะเพราะฉะนั้นในที่สิ่งที่อาตมา ก, กำลังอธิบายนะี่จะจะเป็นความจริงที่เห็นได้ว่าคนเราเนี่ยหนึ่งขยัน มันขยันเป็นเป็นเป็นเป็นเข้ากระดูกดํามันขยันเข้ากระดูกดําเลยโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราขยันไม่รู้สึกเลยว่าเราขยันแล้วก็ทําของเราไปนี่แต่กับมันมีวันเวลาก็ทํามันเมื่อยก็พักไม่เมื่อยก็เพียนดังที่พุทธเจ้าท่านตรัสไว้นี่แหละมันจริงๆเลยมันเมื่อยจริงๆพอพักก็แล้วก็พักบางทีมันเมื่อยมันไม่พอจะพักเอ๊ะมันควรทาอยู่หน้าแล้วมันก็เร่งรีบมันก็มันก็จําเป็นดูยังทําเลย แต่เอาเถอะเราเองเราไม่อยากจะไปกินแรงตัวเองนะมันจะซุดจะเสื่อมแล้วก็ดูตามประมาณพอดีควรพักเราก็พักควรเพียรเอาเพียรซึ่งเป็นคำตอบของพระเจ้านะอัปฏิตทั่งอายุห่างอปริตรทังอายุห่างควรพักควรเพียรรู้จักพักรู้จักเพียรนะอัปฏิตรทั่งอายุหัางรู้จักพักรู้จักเพี ย, นพนย ร, รยนี่แหละสูงสุดละ เป็นคำตอบที่อาตมาว่าโอโหเป็นคำตอบที่ยิ่งใหญ่มากถ้าคนไม่เข้าใจลึกซึ้งจะอธิบายไม่ออกอยาอาตมาพอเข้าใจได้ก็เขาอธิบายได้คนเรานี่เมื่อมันรู้จักการเมื่อยของตนเองรู้จักคนพักของตนเองและมันไม่ขี้เกียจมันไม่เห็นแก่ตัวสร้างสรรค์ไปมันก็ไม่ไปสะสมเป็นของตัวเองแล้วก็ไม่ได้ขี้เหนียวไม่ได้หัวเป็นตัวของตัวเองจริงๆสร้างแล้วมีแต่จะสะพัดออกไปให้กับคนอื่นนะเต็มที่เลย เมื่อผู้ใดมีความรู้ความสามารถกับความขยันเพียงพอคนนี้พอกินเหลือกินเหลือใช้จึงไม่ต้องกังวลเลยว่าเราจะขาดแคลนยิ่งอยู่ในหมู่กลุ่มแล้วก็มีการอาศัยกันและกันเฉลี่ยกันและกันพึ่งพาใสายกันและกันเป็นสังคมกลุ่มมันจึงยิ่งเหลือเฟือเพราะส่วนเหลือของแต่ละคนจะเอาเข้ามารวมกันและก็สัพั เพราะฉะนั้นเมื่อสัพัฒสร้างส่วนรวมส่วนกลางจึงดูส่วนรวมส่วนกลางนี้จเจริญเร็วเหมือนกับอย่างชาวโรลเป็นหมู่บ้านอื่นในงงงงงเขาอยู่กันมาห้าสิบหกสิบปีมันยังกระตอกกระแทกอะไรขึ้นไม่ได้ที่นี่อะไรคว่าขึ้ น, นปุ๊ปุบปุบปอะไรอะไรก็ขึ้นเป็นรูปเป็นร่างขึ้นปุบปเฮ้ยอะไรว่าแล้วมันบอกมันจนจนมันจนอะไรของมันดีไม่ดีเราก็ไปแพร่สัพพัฒไปช่วยเขา ไปเกลือกูลเขาไปทำอะไรให้เขาซึ่งเขาก็สงสัยรังแวงระแวงมากเกินว่ามันมาไมไหนว่านี่มันจะมีเล่ห์เหลี่ยมอะไรมานี่มาทํางานมันจะต้องการอะไรมารูปไหนเนี่ยเพราะคนโกงสมัยนี้มันจะแสดงออกผู้ช่วยเหลือคนแล้วมันก็นล่วงตับกินไส้คนนี้มาเล่ห์เหลี่ยมอย่างเงี้ยบอกว่าจะช่วยเขานี่แหละแล้วล่วงตับกินไส้ได้นี่คือเล่ห์เหลี่ยมที่เขาไม่ไว้ใจเลยในโลกนี้เพราะฉะนั้นพวกเรานี่ไปทํางานช่วยเขาอย่างจริงใจ เขาจึงไม่ค่อยเชื่อระแวงอย่างที่บานคำกลางระแวงเร า, าเราก็ไม่เป็นไรระแวงเราเขาแม่ไม่ทําเพราะว่าเราจริงใจเราไม่ได้มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรเราซื่อสัตย์อยู่ทางด้านกุรัญงุมเขาไม่ระแวงเราก็ทําช่วยไปขนาดนั้นเราก็ยังทําได้ไม่เท่าไรเลยนี่ก็ยังรอจังหวะที่จะทําช่วยเขาอยู่ต่อไปแล้วก็ทําได้พอมีเหลือมีเกินเด๋ชจะได้ขยายความนี่คนที่ถามมาเนี่ยว่าตนทุกวันนี้เนี่ยอาตมารู้ว่าที่มอง คนที่มองคนนี้นี่มองอย่างไรทําไมมันถึงมันจะเป็นอย่างงี้เดี๋ยวอธิบายฟังดูเมือนทางศีรษะโสเขาจะประเมินว่าชุมชนเขาเนี่ยทำบุญปีนึงประมาณสี่ห้าล้านถ้าหยุดทําบุญทั้งสี่ปีเนี่ยเขาจะซื้อรถบัสรถสิบล้อใช่แบกโคลรถอะไรได้หมดเลยได้แต่ทุกวันนี้ทําบุญหมดเลยมีแต่รถเก่าๆวิ่งกันใหม่หรากนะที่ดีก็มีรถใหม่เหมือนกันมีคลองใหม่เหมือนกันมันค่อยๆขึ้นไปหรอกไม่ต้องกลัว นะอาตมาว่าระบบนี้อาตมาดูแลอยู่ในดังด้านเศรษฐกิจนะอาตมาเนี่ยเป็นรัฐมนตรีเศรษฐกิจของที่นี่นะครับเมื่อกี้พระครูมองว่าคนเราแต่ละคนเนี่ยมันก็มีธรรมชาติที่เรียกว่าทํางานเหลือกินเหลือใช้อยู่แล้วใช่ถูกต้องยิ่งมารวมกันก็ยิ่งอุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็ยิ่งมีส่วนเหลือมากขึ้นมารวมกันครับตอนนี้คนภายนอกตอนนี้ช่วงนี้เขดูเหมือนจะมีคนมาดูงานหมู่บ้านเรา ที่เพิ่มขึ้นนะครับก็บางคนก็มองแล้วรู้ึกว่าโอ้โหดีมีอะไรสมบูรณ์เลยแต่ไม่มีใครอยากอยู่เท่าไหร่มีพวกเราตั้งข้อสังเกตว่า <c oughs> ที่ไม่มีใครอยากอยู่เนี่ยเพราะว่าเขามองว่ามันอยู่ที่นี่มันจะรวยขึ้นไม่ได้หรืออยากจะรวยเนี่ยเป็นเป็นครับคนที่ยังมีจิตที่ยังอยากรวยคนที่ยังมีจิตเห็นแก่ได้เห็นแก่แกมีอยู่มันยังเห็นอยากแกมีมีอยู่อกิเลสมันก็พาออกแต่คนที่จิต มันลดกิเลสจริงๆแมันไม่พาออกหรอกมันจะมีปัญญากิเลสจริงลดปัญญาตัวจริงนี่มันก็ยึงจะเห็นชัดเจนะโอ้นี่แหละอยู่งี้แหละเพราะมันไม่เอาอนุนมันไม่เอาแล้วแต่ที่นี้มันยังจะเอามันก็ต้องไปเอาคนที่ยังมีจิตจะเอาอยู่มันก็ต้องไปเอาแต่คนที่มันมีจิตจะไปเอามันจะไปให้เมื่อยทําไมเล่าครับใช่มไหมมันก็ไม่ไปอันนี้เป็นสัจจะเลยมันเป็นสัจจะมันไม่ต้องไปบังคับกันหรอกไม่ต้องไปอะไรกันมันเป็นจริงของเขาเอง ส่วนตัวนี่แหละเราบังคับตัวเองเรารู้ว่าตัวเราเองมันอยากไปเอาเราก็บังคับตัวเองเฮ้ย <c oughs> เองจะไปเป็นคนโลกหรือเองจะมาเป็นคนทำจะไม่เป็นนักทรหรือจะเป็นนักโลกมันก็ตัวใครตัวมันนะนเปนเรื่องสัจจะส่วนคนอื่นๆไม่ต้องไปบังคับไปต้องไปงอะไรเข้าหรอกตัวใครตัวมันบังคับมันไม่จริงนะให้เขาเห็นจริงของเขาเองเพราะคนที่จะอยู่ที่นี่โดยการบังคับคุณบังคับตัวคุณเองให้อยู่ถ้าคุณยังมีกิเลสมันไม่อยากอยู่ แต่ถ้าคุณมีกิเลสขออาภายัยคุณไม่มีกิเลสนะถ้าคุณไม่มีกิเลสมันไม่ต้องอยากมันต้องอยู่พอไปทางโน้นมันต้องสู้มันต้อง Serge, ลำบากมันมาหอบแดดมันก็จะต้องแย่งต้องชิงอะไรคุณจะอยู่ทําไมที่นี่ไม่ต้องแย่งต้องชิงอะไรเลยนะไม่ต้องแย่งต้องชิงต่างคนก็ต่างทําต่างคนต่างอะไรแต่ไปเข้าก็ไม่ไปบังคับอะไรกันเกินการเขาเอาที่สํานึก เอาที่สำนึกของคนใครมีสำนึกก็เอา้าทำไปก็เป็นเรื่องจริงใครที่มีสำนึกดีๆสร้างสรรค์ดีๆมีส่วนหรือส่วนเกินแบ่งคนอันคนอื่นกินมันก็เป็นสัจจะที่เป็นกุศลของเราไม่ต้องมีใครมาลงบัญชีไม่ต้องมีใครมาจัดสรรค์เลยขอให้เราเองเรามีพลังงานที่สร้างสรรค์เป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์แท้แล้วก็เผื่อแผ่กันกินกันใช้ เราก็เป็นผู้ที่เป็นเจ้าเจ้าหนี้ทีจะว่ากันโดยภาษาหยาบๆเป็นเจ้าเจ้าเจ้าหนี้เจ้าบุญเจ้าคุณโดยสัจจะแต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปจำไม่จำเป็นจะต้องไปทวงไม่ต้องเป็นจะต้องไปจำไปทวงอะไรเลยเรื่องใครจะเป็นหนี้เราอยู่เท่าไหร่บุญคุณเท่าไหร่ไม่ต้องไปจำไม่ต้องไปทวงเลยใครอยากใช้ใครรู้อยากใช้ไม่อยากใช้เพราะเราก็พอกินพอใจเหลือเฟือเกิน นะถ้าเราเป็นคนมากน้อยจริงมันก็เหลือก็เฟือก็เกินเพราะฉะนั้นถ้าปฏิบัติมาถึงขีดหนึ่งแล้วเนี่ยคนเราจะเป็นคนที่เห็นว่าโอ้โหมันเหลือมันเกินมันเฟ้อแม่แต่เราเองทําก็เราก็เฟ้อก็เกินเราทําก็เหลือกินเหลือใช้แล้วคนอื่นยิ่งมาช่วยกันอีกยิ่งมาแบ่งให้เราอีกมันยิ่งเหลือยิ่งเฟือยิ่งเกินครับ อ, อันนี้รู้สึวกว่เราก็จะพอมองเห็นแต่หลายคนพอมาอยู่ในแม้แต่มาอยู่ในชุมชนเนี่ยนะครับ ถึงหนึ่งที่ยังห่วงอยู่ว่าเอแล้วถ้าตอนเราแก่ไปแล้วเราป่วยแล้วยังไม่มีใครดูหรือเปล่าพอเราก็ดูที่พวกเรามีใครดูกันบ้างไหมล่ะอย่าว่าแต่แก่เลยศสาวๆเนี่ยไปดูเหตุการณ์ที่เพิ่งจะผ่านมาเนี่ยนกน่ะนกใบทิพย์ครับอบุญโนช่วยกันไม่ดูไม่แลได้ไงไงจนกระทั่งสุดท้ายเขาเองเน่ะเาจะตายแล้วเขายังอบุนใจ เขาก็ยังวางได้ปล่อยได้ในความที่เรียกว่าโอ้เข้าไม่ว้าเวเขาอบอุ่นเขาถึงไปสบายเลยดูเหมือนว่าดูเหมือนจะมีห้ามห้ามแบบจะมาดูกันมากเกินไปเ อ, อไปดูกันหลายจังหวัดนะเกินเออมันมากเกินโดยซ้ําไปครับอ่าขนาดไปโน่นนั้นเนี่ยนี้ไปขึ้นไปอยู่ไปทีงใหม่น่นครับนะถ้าอยู่ที่นี่แล้วโอ้โหไม่ต้องห่วงเราคนเยอะๆอย่างเงี้ยนะอ่าเราอยู่สิส่วนที่มีมีมวลสมาชิก ชาวโซรเยอะๆไกลๆแล้วยิ่งไม่ต้องกลัวเลยอันนี้มันเป็นเรื่องจิตวิญญาณที่จริงไงมันมีน้ำใจมีน้ำใจจริงๆศัจจะที่มันพิสูจน์ได้นี่มันมีน้ำใจจริงๆนี่นกนะเขายังไม่ได้อินเสิร์ตลออไปเข า, เาภาพนกขึ้นม า, นาตอนนี้ก็เผาไปเรียบร้อยแล้วนะอายุ4ี่สกว่าเองนะี่สิต้นๆเลยนะนกเนี่ย อายุ40ต้นต้นยังไม่มากเท่าไรรุ่นใครรุ่นฝ่ายปะฮะรุ่นน้องอีกโอ้รุ่นน้องอีกแสดงว่ายิ่ง40ต้นต้นจริงๆเลยนะเพราะว่าฝ่ายก็ยังไม่40แก่ๆเท่าไรเลยฮะอ่าส3ใช่ไหมนี่เพิ่งส3เองนะก็สู้สู้ได้ คือเป็นคนที่ใจถึงเหมือนกันแต่วิบากของเขาทำเป็นวิบากของเขามันก <borrow> ็ถ <c oughs> ้าเผื่อว่าวิบากเขาไม่มากมาขนาดนี้เขาหายหายเชื่อสิอาตธรรมพูดไปเมือเป็ลคับให้เชื่อเชื่อสิมือก็เป็นปรารคนนี้เขเชื่อจริงจริงแต่อาตธรรมเขาเป็นไปตามธรรมน่เป็นไปตามธรรมเท่าที่เป็นไปการพิสูจน์ความสัมพันธ์ที่อยู่กันอย่าง ยังจิตวิญญาณเป็นญาติจิตวิญญาณถึงญาติมันเป็นญาติกันจริงทางจิตวิญญาณมันไม่ใช่เป็นญาติทางสายเลือดแต่มันเป็นญาติทางจิตวิญญาณเนี่ยมันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่และกว้างขวางมากมายได้กว่าสายเลือดสายเลือดมันจะมีจิตมันจะมีสายเลือดได้ไม่ต้องไรจ่ญาติทางสายเลือดนะมันไม่ได้เท่าไหร่หรอกเอายางเก่งเป็นพันคนเอะ แต่ญาติทางญาติทางสายวิญญาณสายธรรมนี่นะทางธรรมะนี่ญาติทางนี้เนี่ยมีเป็นล้านล้านล้านล้านได้เลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยเรื่องนี้เนี่ยพิสูจนไปเลยนะอาตมานี่จะอยู่ให้นานๆก็เพื่อที่จะพิสูจสัจจพระพฤติเจ้าดังที่ว่านี่แหละคนมันยังไม่ไม่มั่นใจคนยังไม่เชื่อเต็มที่ว่ามันจะเป็นไปได้เรืออย่างที่พูดนี่มันจะเป็นไปได้หลือนะมันเป็นรายพอดี ช่วงทิตที่ผ่านมาผมได้มีโอกาสคุยยติธรรมที่เขาอยู่รอบนอกนะครับอืออายุเขาก็มากแล้วแปดสิบกว่าเขาลูกเขาก็เยอะนะลูกลูกก็เรียกว่าเป็นคนดีทั้มาหากินทั้งหมดอืถามเขาว่าเอ๊ะเขาอายุมากขนาดนี้เขามั่นใจไหมว่าลูกจะดูแลระหว่างเงินกับลูกเนี่ยเขามั่นใจว่าอะไรจะดูแลเขาได้วันละสุดท้ายของชีวิตได้มากกว่ากันเขาบอกเขามั่นใจเรื่องเงินเขาว่าอย่างนั้นนะครับออื ลูกนี่เขไม่มั่นใจเลยแค่เห็นว่าแม้ร่ํารวยขนาดนี้ลูกก็เป็นคนธรรมหากินนะครับไม่ได้มีใครเกลแต่สุดท้ายแม่ก็มีคําตอบว่ามั่นใจเงินมากกว่ามั่นใจลูกแค่เห็นว่าถ้าเทียบกับสังคมเป็นได้เป็นได้ถ้าลูกเนี่ยนะแสดงออกให้เห็นว่าจิตใจของเขาไม่ได้เนี่ยสิใจเป็นโลกรีจิตใจเป็นโลกฟุ่มเฟือยฟุ่งเฟิ่มไม่เอาทานเขาก็ไม่มั่นใจเท่าที่เขามีเงินมากกว่า เขายังมันเงินมันยังช่วยตัวเองได้แต่นั่นแหละแม้เงินมันก็เป็นที่มั่นใจเท่าจิตวิญญาณมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีไม่ได้ครับคือคือถ้าเทียบ่พันธุ์ยกยกตัวอย่างเรื่องนกมาครับดูที่เขาเลี้ยงลูกอุตสาหทุ่มเทมาทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเขาเหลือแต่สภาพสังขารที่เสื่อมโทรมและลูกเต้าก็ไม่ฟังและทุกคนก็พยายามที่จะหาทางบีบคั้นเอาเงินจากเขาไปให้ได้เขาก็ต้องต่อสู้อยู่ แต่สภาพคนของเราที่แม้ไม่มีอะไรเนี่ยแต่ว่ามันมีวิญ ญ, ญาณถ่ายกพันความเกื้อกูลช่วยเหลือกันใช่จนเวาลาสุดท้ายเนี่ผมรู้ว่ามันใชมน่มันมันอบอุ่นแล้วก็เึกซึ้งกว่ากัน อ, อัตมามั่นใจว่าถ้าจะบอกว่าท้าทายก็ท้าท า, ายได้เลยว่าให้มาพิสูจน์เลยอัตมามั่นใจในชาวโศกเนี่ยมีเนื้อแท้ของจิตวิญ ญ, ญาณตัวนี้แล้วว่าความเห็นแก่มวลมิตรยาก เรียว่ากัลยาณมิตรโตกัลยาณสหายโยกัลยาณสัมปวังโกเนี่ยมิตรดีสหายดีสังคมซึ่งแวดล้อมดีเนี่ยอาตมามั่นใจที่สุดว่าจิตวิญญาณของคนเนี่ยมันเป็นจริงมันเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันได้จริงๆนะขออธิบายเข้าอันนี้เลยนี่มันจะเป็นแนวลึกอยู่พอสมควรเขาเอาตัวอย่างของเรานี่แหละมาว่าผู้ต่างก่อสังเกตมานี่ไม่เป็นใบปลิว ไม่มีชื่อไม่เขียนชื่อลงมานะก็เลยเป็นใบปลิวไอ้เป็นลายใบปลิวมันมีเนื้อหาอา้าวบอกว่ากราบขอโอกาสข้าน้อยกราบขออาภัยด้วยถ้าได้กล่าววาจาล่วงละเมิดบ้านราชทุกวันนี้นี่กำลังพัฒนาทางด้านที่อยู่อาศัยและวัตถุต่างต่ะพัฒนาทางด้านที่อยู่อาศัยและวัตถุต่างๆางแบบก้าวกระโดดไปหรือเปล่า แบบก้าวกระโดดไปหรือเปล่าบางคนก็รู้สึกว่าเรามาอยู่กับระบบทุนนิยมหรือระบบบุญนิยมมาอยู่ในอโศกในบรรดาษเนี่ยเอ้เร า, าอยู่นี่มันยังนี่ระบบทุนนิยมหรือบุญนิยมบุญนยิญนยมที่บรราษดูเหมือนจะถูกทุนนิยมค่อยๆกลืนกินไปทีละน้อยนะ บุญนิยมของบรรดาษเนี่ยดูเหมือนจะถูกทุนนิยมกลืนกินไปทีละน้อยเรามีแรงงานที่ต้องว่าจ้างมากมายอุปกรณ์เครื่องยนต์กลไกก็ต้องจ้างเขาส่วนมากทั้งๆที่คนของเราก็พอมีน่าไปจ้างเขาส่วนมากทั้งงที่คนของเราก็พอมีเครื่องยนต์กลไกอุปกรณ์เครื่องมือเราก็พอมี หรือว่ามีเพื่อเอามาโชว์ไว้เฉยๆบางอย่างถ้าจําเป็นต้องจ้างก่อจ้างไม่ใช่ว่าเน้นจ้างเป็นหลักคือเข้าใจดีอยู่พอสมควรซับซ้อนอยู่พ่อครูก็ยังอยู่หมู่สมณะก็ยังอยู่ทุกอย่างอยู่ในสายหูสายตาของพวกท่านข้าน้อยอาจจะมองพลาดไปแต่ก็อยากจะให้บรรดาเป็นบุญนิยมที่เข้มข้นกว่านี้ คนของเราก็พอมีใช้เขาสิบอกแนะนำเขาสิเลือดของคนวัานราชยังเข้มแต่บางทีก็ได้แต่นั่งมองคนอื่นเขาแสดงสกลาวนมรสการผู้ที่เขียนมานี่ก็มีความเข้าใจมีความห่วงใยอาตมาก็เข้าใจประเด็นนี้มุมนี้แล้วก็เห็นอยู่ดูอยู่แล้วก็ จัดการเองแหละก็จัดการดูแลอยู่อตาตมาจะไปปล่อยปละละเลยไม่ควบคุมไม่ดูแลไม่จัดสรรให้เป็นไปได้อย่างผม อ, อกพอดีมันก็พังแต่อตาตมาก็เห็นว่ามันเป็นไปได้มันมีความซับซ้อนอย่างนี้คำว่าทุนนิยมก็คือลักษณะที่เป็นผู้ที่เอามาให้ตนเองมาก มีประโยชน์แก่ผู้อื่นน้อยอทุนิยมเนี่เอามาให้แก่ตนเองมากมีประโยชน์แก่ผู้อื่นน้อยส่วนบุญนิยมนั้นเอามาให้แก่ตนเองน้อยเอามาให้แก่คนอื่นมากจนถึงขั้นไม่เอามาให้แก่ตนเองเลยมีแต่ให้แก่ผู้อื่นนี่คือบุญนิยมนะนทีนี้ชาวโศกเอาบั้นราชนี่แหละเป็นตัว อธิบายขณะนี้บางคนมาอยู่แล้วก็รู้สึกว่าเออเราเนี่ยมันกําลังจะเข้าเขตเข้าขายของทุนนิยมแล้วนะมันรู้สึกว่ามันจะเอามาให้แก่ตนเองมากให้แก่คนอื่นน้อยหรือให้แก่คนอื่นมากขึ้นให้แก่ตนเองน้อยเออตั้งใจดีๆ บ้านราชขณะนี้เราให้แก่คนอื่นมากขึ้นให้แก่ตนเองน้อยหรือให้แก่ตนเองมากขึ้นให้แก่คนอื่นน้อยเรากําลังให้คนอื่นมากขึ้นเพราะงั้นคนที่มองนี่มองว่าเรากําลังทําเพื่อกว้างขึ้นเช่นเขาบอกว่าเนี่ยมีคนงานมาทํางานในที่นี้ก็มากขึ้น นั่นคือเราให้คนอื่นนะเราให้คนมาทำงานในที่นี้มากขึ้นเนี่ยนี่เราคือให้คนอื่นคนอื่นมาอาศัยกินใช้มาทำงานในที่เรานี่แหละมากขึ้นคนเราก็ไม่ได้หมายความว่าคนเรานี่ขี้เกียจขยันน้อยลงโดยจ้างแต่คนอื่นแล้วก็กลายเป็นนายทุนนั่งชี้นั่งทนั่งบอกแล้วก็จ่ายแต่เงินไม่ใช่มันซ่อนคนเราก็ทาอยู่ ชาวโศกเราและชาวปสมาชิกของชุมชนก็ทําขยันอยู่แต่สร้างสรรค์มากขึ้นเราไปขยายครับไปขยายที่ที่ทจะแพร่ออกและไปแพร่ออกเราก็ตั้งใจจะแพร่ให้มากตั้งใจจะขาดทุนเพิ่มขึ้นอีกจะลดราคาลงไปอีกด้วยซ้ำที่เราทําเนี่ย นี่คือรายละเอียดที่เราจะต้องดูว่ากรรมกริยาเหล่านี้เนี่ยมันเป็นกรรมก ร, ริย า, า, า, า, าให้เขาหรือเราเอามาพอมองออกไม่ว่าเราให้เขาด้วยเราเอามาเห็นไม่มเราให้เขามากขึ้นทีนี้ก็มามองว่าแล้วเราให้เขามากขึ้นในเราเตี่ยวอุ้มข้อมงเปาเราให้เขามากขึ้นแล้วเราก็ตายตายตาย กลายเป็นหนี้เป็นศินกลายเป็นอะไรตอะไรหนักขึ้นไปใหญ่จริงแล้วขนาดนี้เหมือนเราเป็นหนี้เราไม่เรียกหนี้เราเรียกหนุนเพราะเงินที่เราเกื้อมาเนี่ยดูมันจะสอนนี่ไปเขียนเกื้อว่าเอื้อนะเงินเอื้อมาไม่เขียนว่าเกือ้อเขียนว่าเอือ้อเราใช้คําว่าเกือ้อแต่เราจะได้เทียบเคียงกับคำว่ากู้ก็ไกลไม่เรียกว่าเอือ้อนะ่ถ้าเอื้อมันจะไป แข่งขันก็คำว่าอู้มันก็ล้เรื่องกันเอื้อกระอู้นี่มันก็เป็นเรื่องพลังงานเ อ, อื้อเนี่ยเป็นเรื่องพลังงานเอื้อเอื้อคนนั้นเอื้อคนนี้พลังงานอู้คนนี้เห็นกันตัวถ้าเอื้อคนนี้มีพลังงานช่วยคนอื่นแต่ถ้าเกื้อนี่เป็นวัตถุเป็นกู้เนี่วัตถุปลูกเงินก็ามากู้ของเข้ามานะเกื้อก็ช่วยคนอื่นถ้าเอื้อนี่มันพลังงานถ้าเกื้อเ น, นี่วัตถุตะกู้วัตถุ ถ้าอู้เนี่ยพลังงานาเอือ้อพลังงานนะมันมันต่างกันอยู่อ้อาวนี่อธิบายภาษาไทยเพิ่มเติมอาทีนี้มองให้ชัดดูรายละเอียดให้ดีเรากำลังเจริญขึ้นโศกเนี่ยเรามีเงินเกื้อมากขึ้นก็จริงแต่เงินเกื้อนี้เราก็ไม่ได้มาทำลายผลานผลานหนึ่งเรา สร้างแปลงบ้านสร้างบ้านแปลงเมืองขยายถิ่นที่ขยายอะไรอะไรซึ่งไม่ได้เอามาฟุงฟฟ้งเฟอ้อฟุ้งเฟ้ออะไรเกินไปมันอาจจะซ้อนว่าเราเอามาตกแต่งเราเอามาทำศิลปะเราเอามาทำอะไรอะไราบางสิ่งอย่างนี้เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งอาตมาเรียนศิลปะมาโดยตรงรู้ว่าศิลปะคืออะไรศิลปะคือการผลานคือการโอกการอวดไม่ใช่ แต่มันมีซ้อนจะว่าอวดก็ใช่จะว่าไม่อวดก็ไม่จริงเราก็อยากให้เขาเห็นน่ะอวดนี่คืออยากให้เขาเห็นเห็นแต่เขาเห็นนั้นเขาเห็นอะไรเช่นว่าเขาเห็นความสวยสวยอย่างปรุงแต่งแบบแทิฟฟี่ทิฟอะไรทิฟอะทิฟฟานนี่ทิฟฟานนี่อะไรพวกเนี้ย ไอ้สวยตกแต่งแบบนั้นน่ะบาบ้างั้นเราไม่ทํามันพิสดารมันวิถานแล้วมันก็ปรุงแต่งกันไม่เขาเรื่องแต่ของเราสวยนี่เป็นธรรมชาติสวยเป็นเรื่องของรูปลดเกล่นเสียงที่อยู่ในมุมของธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่จะมีตกแต่งบ้างประดับประดาประดิ์ประดอยบ้างก็อยู่พอเหมาะไม่ได้เกินเหตุเกินการอาตมาว่าอาตมานี่เป็นนักศิลปะเป็นศิลปิน ที่มองในรายละเอียดพวกนี้อย่างจัดสัดส่วนที่เป็นมงคลอนุดมที่อยู่ในเขตของศิลปะนะศิลปะรอศิบปปังเนี่ยเป็นมงคลอนุดมไม่ใช่เป็นค่าศึกแกกุศลอาตมาว่าอาตมาชัดเจนในหลักธรรมที่เป็นสัจธรรมพระพุทธเจ้าสอนไวน้นี้จริงๆนะอาตมาจะไม่ขบฏเพราะขบฏมันบาปและขบฏมันก็เสื่อมมันไม่ได้เจริญ เรื่องอะไรเราอาตมาจะไปทําสิ่งเสื่อมเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ทำนะหรือเราทํามันก็อยู่ได้เราไม่ทําอย่างที่ไปทำนะนั่นน่ะมันเกินไปแล้วเราก็ไม่ต้องทําก็ได้ไปทําทําไมอ่ะถ้ามันมันจะเสื่อมแต่ถึงแม่ไม่ทํามันก็ไม่เสียหายอะไรนะก็เรามันก็ไม่เสียหายอะไรเราก็จะต้องไปทําทําไมนะไม่ทําก็ไม่เสียหายแต่ที่ทําเนี่ย มันทั้งไม่เสียหายทั้งมันเป็นประโยชน์เราจึงทำนะเพราะนั้นในรายละเอียดพวกนี้เนี่ยการระแวงระวังอย่างที่พูดมานี่ก็ดีไม่ใช่เป็นเรื่องไม่ดีนะดีช่วยกันมองนี่ดีแล้วระมัดระวังไว้เมื่อสงสัยก็ถามมาอาตมาก็จะได้บอกไปนะ อาตมากำลังอธิบาย ค, คล้ายๆกันกับคนคนหนึ่งกําลังอธิบายอยู่ในสังคมประเทศไทยขณะ น, นี้คือคุณประยุทธ์จันทโอชากําลังอธิบายสูงมีอะไรก็ถามมามีอะไรพูดมา เ, เราก็ต้อ ง, องจัดสรรทุกคนบัตนาดีต้องการตาเนี่ยมาเจริญ ด, ดีทั้งนั้นแนหะอะไรก็พูดเร็วพูดแรงพูด ป, ปุ๊บในลักษณะของเขาอาตมาก็พอคล้ายๆเขาบ้างแต่ก็ไม่แรงขนาดนั้นเพราะอาตมามัน มันก็ต้องมีรถลั่นกันบ้างแหละเนาะอาตมามันไม่ได้ยิงใหญ่ขนาดเขาขนาดเขาจะแรงได้เพราะว่าเขายิงใหญ่ยังไงยังไงเขาก็มีลูกระเบิดมีปืนอาตมาไม่มีเลยมันแรงกัเขาไม่ได้หรอกนั่นมันต่างกันอยู่หลายฐานนะสรุปแล้วขอยืนยันว่าของเรายังไม่ได้บานปลายออกไปหาทุนยมแต่ประโยชน์ท่าน แน่นอนมันมองยากว่าเอ้แล้วเราไปประโยชน์ท่านแต่มากจนกระทั่งประโยชน์ตนสูญเสียอันนี้ต้องมองให้ชัดประโยชน์ท่านมากขึ้นประโยชน์ตนไม่ได้สูญเสียประโยชน์ตนเราได้ขยันมากขึ้นเราได้ลดละกิเลสมากขึ้นเราได้มีสัมผัสมากขึ้นเราได้ขัดเกลาได้อดทนนะได้ฝึกปรือได้สร้างสรรค์ทั้งแรงงานทางกาย ทั้งใจก็ได้อดได้ทนทั้งใจก็ได้ฝึกได้ปรือได้อ่านได้พยายามปรับให้มันสบายให้อยู่ได้ต่างๆนะนาพวกนี้ซึ่งมันซับซอ้อนลึกซึ่งมากนะทฤษฎีพระพุทธเจ้านี่สุดยอดจริงๆนะสุดยอดจริงๆแล้วก็สามารถที่จะอธิบายได้อย่างที่อาตมากำลัองอธิบายเนี่ยดีแล้วที่ถามมาในดีแล้วนะนะขณะนี้อาตมาก็ขอตอบสรุปอีกทีหนึ่งเลยว่า เรายังยังยังไม่ได้บัณฑารายังเข้มอยู่เขาใช้คำแทนว่าอยากจะให้บัณฑานรานี่ยังเข้มเห็นว่ามันมันชักจะบางจางเบาหรือว่ามันชัดลดย่อนน้ำหนักของความเป็นบุญนิยมลงไปแล้วนะคลา ย, ายงั้นนะ่ะที่พูทธิมองเนี่ยอาตมาเขายืนยันว่าไม่ มันไม่บางจางนะมันไม่บางจางลงไปหรอกมันยังเข้มอยู่แต่มันกว้างขึ้นมันเอื้อมเอือ้อเกื้อกว้างได้มากขึ้นนะครับเขาก็ดูเหมือนว่าจะทวงว่าคำจริงแล้วเนี่ยก็ใช้ไปเลยที่คนนั้นคนนี้ทําไมไปเอาคนข้างนอกมาทํางานทำทำไม อ, อจะ ใ, ให้ใช้พวกเรา อันนี้นี่มันขัดแยงอยู่นิดหนึ่งขัดแยงอยู่ตรงที่ว่าคนใช้คนนี่นะเป็นคนไม่มีฝีมือไม่มีความสามารถคนที่มีความสามารถนี่ไม่ใช้ใครแต่ใครเขาวิ่งมารับใช้เขาอยากจะรับใช้นี่คือความสามารถสุดยอดเ่าคนใช้คนได้เนี่ยคือคนแบ่งอำนาจ และยังไม่มีปัญญาที่รู้จักความจริงคนที่รู้จักความจริงแล้วไม่ใช้ใครไม่ใช้ใครในี่สุดยอดคนคนยังใช้ใครได้มากๆได้เก่งๆไม่เก่งเลยใช้ใครได้มากๆากเก่งๆไม่เก่งเลยคนที่ไม่ใช้ใครแต่ใครวิ่งเข้ามารับใช้มากขึ้นมากขึ้นอย่างที่เขารู้หน้าที่รู้สมควรยัดเยียดตัวเองเข้ามารับใช้รับใช้นี่ต่างหากเกง่ง นี่ต่างหากเก่งฟังให้ดีๆแล้วจะชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถ้าจะให้เราชี้ใช้จิจใช้ไปส่คนนั้นคนนี้มันขัดแย้งในลีลาของโลกุตระเพราะฉะนั้นเราจึงใช้สำนึกของคนให้คนนี้สำนึกว่าเออเขาต้องนี่ทำก็ต้องท า, ท า, ท า, ทาสำนึกเองแล้วเขาก็ามาทำ ม, มาใช้มาตับใช้หรือว่ามาทางานนี้โดยสำนึกโดยไม่ต้องใช้ไม่ต้องมีใครชี้ใช้ แต่เขามีภูมิปฏิพานปัญญารู้เองว่าเอ้ยนีนเ่เขาควรทำยิ่งไม่มีใครทำยิ่งจา เ, เป็นยิ่งสำคัญเขาที่ต้องรีบทำเขาจะรู้ในตัวของเขานั่นคือความตื่นนั่นคือความรู้นั่นคือความตื่นรู้ที่มีปฏิพานปัญญาว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเพราะฉะนั้นอะไรที่ควร<ะ>เขาจะต้องทำท<ะ>ในการสร้างคนให้มีปัญญารู้จักสิ่งที่ควรดูดูเหมนว่า อันนี้เป็นข่าวที่ผมฟังมาจะยังไม่ถูกก็ได้นะครับว่าจุดอ่อนของบ้านรัชในขนาดนี้ก็คือว่าปีนี้เรามีคนมามีทั้งชาวชุมชนมีทั้งวอนอบอมีคนมาเพิ่มขึ้นประชากรอเรามีมากขึ้นแต่ปรากฏว่าจุดหนึ่งที่พ่อครูพูดแล้วพูดอีกเนี่ยคือคนเก็บผักแต่มาคนเก็บผักเหลือคนเดียวนะครับ ทั้งาเหลือคนเดียวอีกแล้วเหรอครับคนอื่นก็ถูกต้องดึงไปถูกไ ป, ไปช่วยลงสีไปช่วยอะไรอย่างนี้ไปมาคนเก็บผักก็เหลือคนเดียวเท่านั้นเองเลยในขณะที่คนบริโภคนีู้้เราก็ต้องรู้สิดีแล้วละ่ะช่วยกันมองมีมีมากม อ, อะไร ม, มันขาดแคลนอะไรที่ควรจะเข้ามาเสริมหนุนนะอ่ะก็ควรครับผมคืเรื่องกินนี่นะแล้วเราก็เก็บผักเราเองเนี่ยถ้าผักเราเก็บไม่มีให้เก็บมันพอคนเดียวก็พอไม่ต้องมีหลายคนหรอกเพราะมันพอ หรือคนเดียวเก็บก็พอกินเออก็แล้วไปแต่นี่คนเดียวเมื่อยนะกินโอโหคนเพิ่มขึ้นแล้วคนเดียวเก็บแล้วก็มีให้เก็บอยู่ด้วยแต่เราไม่มาช่วยเก็บมันก็ไม่ไม่ถูกต้องใช่ไหมไม่สมดุลเนี่ยพวกนี้เราก็ช่วยกันมองนะอะไรมันขาดแคลนเอาเรื่องนี้ในเรื่องสําคัญนะเรามีให้เก็บผลผลิตของเรามีพืชพันธุ์ญาอาหารของเรามีนะผู้ทำก็ขยันธรรม แต่ไม่ขยันเก็บเออคนคเก็บก็ไ้เก็บหน่อยเถอเพะพ่อบเก็บแล้วก็เอามากินเก็บก็เราอามาอย่างนี้แหละแล้วก็ทำางนี่แหละสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยรู้ค่อยเข้าใจและแต่ละคนแต่ละคนก็ เขาคืฉลาดนคนเก็บผักนี่มันไม่ได้แสดงสมรรถภาพหรือแสดงความสามารถอะไรมันทําปิดทองลําไส้พระครับมันแบบไม่สู้คนปลูกไม่ได้ติปิดทองอยู่ลาไส้พระตัวทองหลังพระนี่ยังเห็นนะครอ้อมไปดูข้างหลังได้แต่ลําไส้พระนี่ดูรอบยังไงมันก็มองไม่เห็นนะอครับอย่างงั้นก็อันนี้ก็คงจะเป็นเพราะว่าพวกเราอาจจะ จะรู้สึกว่ามันเป็นงานที่มาได้ท้าทายความสามารถอะไรไปเก็บเอาความสามารถคนอื <S <S 1> <S 1> าา่นมาอถ้าขนปุ๋ยเนี่ยน่ไปช่วยทําปุ๋ยทําอะไรอย่างใชเห็นความสามารถยังไงเห็นเนาะอันนี้ไปเก็บผักอยู่ในป่าอยู่ในสวนอยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้ไม่เห็นมีใครเห็นเลยทําแหมมันอยู่ในลําไส้พระน่นน่ามาที่นี่ก็ยังเออมันเป็นปิดทองก็ยังปิดหลังพระมั่งยังพอเห็นเนย คนเรามันก็มีมีอย่างงี้แหละในในในยะมีในยะของตัวเองเห็นแก่ตัวเห็นแก่โชวเห็นแ ก, นอก่อยากโวยอยากอวดเห็นแก่ทํางานเพื่อที่จะไม่รู้จักสาระของมันทํางานแล้วยังมีส่วนที่จะต้องการอะไรอยู่บ้างแม้แต่ให้คนเห็นแม้แต่อะไรก็แล้วแต่พวกนี้ารายละเอียดเราก็ต้องรู้อาจจะเป็นงานประเภทบุญแรงแห้งรางวัลบุญแรงแห้งรางวัลคือไม่มีอะไรที่จะ <c oughs> เป็นที่ชื่นอกชื่นใจเท่าไหร่นะครับใช่ นะบุญแรงแห่งรางวัลก็ไม่เป็นไรบุญแรงแห้งรางวัล น, นะแต่ว่ามันโอ้โหมันขันชนะขันชนะของจิตใจของเราเองให้ให้เกิดความเข้มแข็งมีพลังแล้วก็สร้างสรรอย่างดีเลยนะนะเนี่ยแม้ว่าแห่งรางวัลเนี่ยนะ เมื่อกี้พอ่พอครูพูดถึงนายกเต็มตีคนที่ยี่สิบเก้ามีคนตั้งข้อตั้งแกงเหมือนกันว่า <c oughs> บุคคลที่มีอำนาจแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดยึดในอำนาจแล้วก็หลงไหลในอำนาจอในทหารที่มายึดอำนาจพอแล้วคนเล่าก็อยู่ในวงจรนี้นะครับที่ว่าติดยึดหลงไหลในอำนาจแล้วก็พินาศในที่สุดนะครับคืออมันมีซ้อน มันมีซ้อนการติดยึดอำนาจแล้วใช้อำนาจเป็นและสองหนึ่งใช้อำนาจเป็นสองใช้อำนาจนั้นเพื่อคนอื่นจริงๆใช้อำนาจเป็นก็หมายความว่าบริหารจาัดการรู้เรื่องราวเหตุปัจจัยนั้น น, น, นี่จัดการนี่ว่าใช้อำนาจเป็นก็กระจายงานเนื่อว่าใช้คนเป็นอะไรเป็นนะ สองเป็นคนซื่อสัตย์นะเป็นคนที่ใช้อํานาจเป็นแล้วก็ใช้อํานาจเพื่อมวลมนุษยชาติจริงๆไม่ได้เพื่อตัวเพื่อตนไม่ได้เห็นแก่ตัวไม่ได้ทำเพื่อตัวเองถ้าคนจะยึดอํานาจหลงอํานาจนั้นอยู่บ้างแต่เขาหนึ่งเขาใช้คนเป็นนะยึดอํานาจและทํางานเป็นใช้คนเป็นสองไม่ได้ทําเพื่อตัวเองไม่ได้เห็นแก่ลาบ ไม่ได้เห็นแก่ผลได้ไม่ได้เห็นแก่ส่วนตัวแต่ทําเพื่อส่วนส่วนรวมวเพื่อประเทศชาติเพื่ออะไรเลยจริงๆเนี่ยหนึ่งความรู้ความสามารถเขารู้จริงๆแล้วเขาทาได้ถูกต้องเลยนะสองไม่เห็นแก่ตัวนี่นะให้ยึดอํานาจไปจนตายเลยคนนี้ไม่ต้องไล่ออกแม้แม่จะติดยึดในอำนาจกับตาเชิญฟังดูง ความเป็นจริงที่อาตมาพูดถึงเงื่อนไขของมันเนี่ยถูกต้องไหอคนนี้เป็นติดยึดประชาธิปไตยบอกว่าโอ้โห <c oughs> มันไม่เป็นประชาธิปไตยเลยเออเอ็งอยากเอง็งเอ็งเออยากปเป็นเ <c oughs> ท่านั้นเองจะไปได้อํานาจแต่ <c oughs> เอ็งไม่เก่งเท่าเขานะ่ะอย่าแอกอย่าสะเออให้เขาทําเถอะอ่า ถ้าจริงอย่างที่อาตมาว่าหนึ่งมีความรู้ความสามารถในการบริหารจริงๆเลยรู้จักการงานรู้จักเรื่องรายละเอียดแล้วก็ใช้คนเป็นรู้จกักรู้จักเอาคนมาทํางานนี้ใส่คนนี้แล้วหาคนที่มีความสามารถมาเมืองไทยไม่ขาดแคลนคนมีความสามารถความรู้หรอกทําได้อย่างน้อยก็ใช้เงินรัฐบาลใช้เงินส่วนกลางนี่ใช้จ้างเขาเขายัางต้องการเงินก็ไม่เป็นไรให้เท่าที่ให้ได้แล้วมันก็ต้องทำเพราะว่าคนไทยมันจะไปทําที่ไหนก็รัฐบาลจ้างขนาดนี้แพงที่สุดแล้ว ม, มีใครแพงจ้างแทงป่ารัฐบาลจ้างอย่างนี้แล้วคนเราอะทําไปเถอะสองซื่อสัตย์จริงๆมากน้อยสะนโดจริงๆไม่ได้เห็นเกตตัวไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยจริงๆอยู่ไปจนตายเลยไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องปลดเกษียณคนเนี้ทําไปเถอะไม่แย่งทำนะขอร่วมทําไม่แย่งขอร่วมทําใช้เรามาเราร่วมทําเลยถ้าคนแบบนี้ฟังเข้าใจไหม นะเพราะงั้นสำนวนคําว่าหลงอํานาจยึดอํานาจเนี่ยมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีปัจจัยของมันสําคัญมันเป็นอะไรอย่างที่อาตมาอธิบายไปให้ฟังนะแต่ถ้าคุณหลงอํานาจและคุณก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่พักพวกคุณก็เล่นเล่ซอนอทําไปก็กินไปดูดไปแฝงไปอะไรแต่ไรไปนะก็แน่นอนมันก็ไม่ได้เรื่องแหละ หรื อ, อยิ่งใช้คนไม่เป็นยึดอำนาจทําอะไรก็เสียหายไปเรื่อยๆบริหารก็ไม่เป็นไม่มีความรู้ไม่เข้าใจอะไรเลยใช้คนก็ไม่เป็นอะไรเงี้ยรีบลงรีบหนีรีบไล่ออกรีบไล่ออกคนอย่างเงี้ย น, นี่ก็คิดว่าพูดชัดแล้วนะเพราะรการยึดอำนาจไม่ยึดอำนาจเนี่ยมันก็อยู่ที่รายละเอียดอย่างที่อาตมาว่านะ เพราะฉะั้นถ้าเว่าเราจริงใจแล้วก็เราพอเป็นไปได้ขณะนี้นี่นะ่าดูคุณประยุทธ์นี่นะก็ทํางานก็รู้มีรายละเอียดเข้าใจดีแล้วละ่ะออกมาพูดวันยายเลยเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลาคนจะได้เข้าใจว่าคุณเข้าใจหรือเปล่าที่ทำทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยประเด็นสําคัญประเด็นที่รีบด่วนอะไรก็แล้วแต่คุณกําลังทําหรือเปล่ารับผิดชอบอะไรหรือเปล่าเขาก็ยังทําอยู่ทำทำท ำ, ทำอยู่ อาตมาก็ว่าโอ้โหท่าทีของคุณประยุทธ์เนี่ยนะทำงานในอาตมาเริ่มใส่นะกำลังทําอยู่นี่ไม่ใช่พูดป้อย่ อ, อเพื่อต้องการอะไรอาตมาต้องการอะไรหรอกอาตมาต้องการให้สังคมมันดีขึ้นน ะ, นะอาตมาว่าใช้ได้ส่วนที่อาตมายังไม่เข้าใจไม่ใช่ไม่เข้าใจเข้าใจไม่ได้หย่างยังรู้ไม่ได้ก็คือว่า จะมากน้อยสันโดษจะเห็นแก่ตัวจะกิโลเห็นแก่ได้ให้ตัวมีเล่เหลี่ยมในการทําในหรือเปล่าเท่า น, นั้นเองแต่ถ้าคุณประยุทธ์จริงใจนะไม่มีเล่เหลี่ยมให้นแก่ได้เอาเธอจะมีพอสมควรไม่มีปัญหาหรอก อ, อในฐานะที่พอสมควรของชีวิตลูกต่อก็มีลูกแฝดคู่เดียวโอ้จะไปอะไรกันนะกันหนาะอาตมาว่าไม่น่าจะห่วงเท่าไหรนะ่าลองทําไปดูอาตมาว่า ถึงอย่างไรขณะนี้เนี่ยพฤติกรรมของเขาเนี่ยนะเขาก็ไม่กินไม่โกงมากของเขากำลังทำงานขณะนี้เนี่ยนะอาจจะยังจับไม่ได้เขาตามก็ต้องทำไปก่อนให้เขาทำไปสิถ้าจับได้ไา่กินว่่โกงเกินการงานก็่อยว่ากันอีกทีนึ่ง ถ้าเท่าที่เราดูนายกเมืองไทยมานี่ก<อ><ด>็ยังไม่เห็นใครทักจะมีอาตมาว่าอาตมาดูพฤติกรรมคนอยู่นะยังไม่เห็นใครขยันและเอาจริงเอาจังแล้วก็มุ่งมั่นมันมีสิ่งที่อาตมาไม่รู้อยู่อย่างนี่ได้ว่าใจเขาจะมากน้อยสันโดดใจของเขาจะลดกิเลสแห่งแกตัวให้งแกได้มากน้อยแค่ไหนทางของเขาไม่มากนะอาตมาว่าไปเป็นไปเลยนายกยี่สบปีอายุเพิ่งจะหกสิบ แปอัตมาเนขอให้รักษาสุขภาพให้แข็งแรงเหมือนอาตมากัแล้วกันน่อยเนื้ออาตมาตัวเองแข็งแรงนะก็แข็งแรงอาตมาก็ยังโง่อาตมาว่าขนาดนี้ก็ใช้ได้อะยังไม่งกงงเงียกอะไรแปดสิบะแปบอแล้วอ่ะครับท่านที่ฟังดูเถิดเป็นนายกที่สนใจเกือบทุกประเด็นแล้วก็ติดมีรายละเอียดแต่ละประเด็นนี้ผมชัดอยู่ตลอดเวลาใช่หาข้อมูลหาเหตุผลหาหลักฐานอะไรทาอยู่ ไ ม, ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่พรีผ้าไม่รีบดวนเกินไปแต่ก็ทำมันเต็มมือมันมากเกินเอามาเห็นใจนะเห็นใจโอ้มากอ่ะครับเพราะพระครูมองภาวะที่รัฐบาลพยายามที่จะแก้ความขัดแย้งเน้นเรื่องความปลองดองดูดูแบบนึงก็เหมือนกับว่าพยายามกบกบมันเอาหินทับยาออาแล้วยากรบกรบไปก็มองได้มองอย่างนั้นก็มองได้ แต่เราเองเราจะไปรีบนะติเลือทั้งโกรนหรือว่าจะไปตีทิ้งอะไรโดยไม่ทำมันไม่ได้ครับนะ่ะมันไม่ได้นะ่ะก็ทำดูนะ่ะเราดูค่าเฉลีย่ยอัตมาว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยสคัญดูค่าเฉลี่ยแล้วเปอร์เซนต์ที่มันน่าระแวงหรือว่าน่าท่าทางมันจะสูญเสียนี่มันไม่มากไม่มายอะไรนะ อาตมาตีให้ละขณะนี้เท่าที่อาตมาวัดค่าโดยรวมแล้วนะพฤติกรรมบริหารนี่นะให้ราคาของค่าบริหารเนี่ยส่วนที่ไปด้วยดีได้ดีนี่อาตมาให้คะแนนถึง 90% สนะส่วนบกพร่องนะอาตมาให้มากไปด้วยซ้ำไปสิบนตะยังไม่เห็นว่ามันมีอะไรอะไรเท่าไหร่มันมีบ้างเช่นใช้คนบางคนเออคนนี้ไว้ใจไม่ได้อา้หาหักแปด คนนี้ยังไว้ใจไม่ได้กีค่คนล่ะมันยังไม่ถึงส0นะ่ะอาตมาให้ตั้ง 20% นี่มากไปแล้วให้เเอนเอให้ตั้งสอนี่ก็มากไปแล้วดูเหมือนว่พลประชาชนก็จะให้คะแนนกล้เคียงกับพ่อครูให้ 90% เอ็หมือนกันเทอยพอใจเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าคนเราเแหมทำงานาน90นี่คุณจะเอาร0อยเนี่ยไปหนวนโลกพออังค์คาดไป ที่ยังไม่มีคนเลยคุณไปเอาที่นุ่นกันแล้วกันคนเขายังหวังอยู่ว่าว่าโรคพังกาจะมีคนอาตมาบอกให้ก่อนแล้วรโรคพังกาก็ยังไม่มีคนธรรมชาติอาจจะมีน้ำแต่ยังไม่มีคนครับถ้าอย่างนี้พระครูพอจะบอกได้ไหมครับว่าทิศ ท, ทางบ้านเมืองไทยเนี่ยน่าจะมีแนวโน้มว่าเป็นไปในทางบวกหรือทางที่ดีขึ้นดีอาตมามองอยู่ขณะ น, นี้เนี่ยทำใจเย็นๆเถอะ สร้างสรรค์ไปดีๆร่วมไม้ร่วมมือไปดีๆกําลังอยู่ในระยะ9กาอัตมาเห็นว่าเท่าที่อัตมาอายุแปสกว่าแล้วผ่านรัฐบาลมาตั้งแต่เปลี่ยนประชาธิปไตยอัตมาก็เกิดในยุคประชาธิปไตยเพราะว่าประชาธิปไตยเกิดก่อนอัตมาเกิดประชาธิปไตยเกิดพศเ5็ดหาอัตมาเกิดพศเจ็ดเพราะนั่นอัตมาเป็นคนประชาธิปไตยแน่นอนวันอัตมาก็เห็นประชาธิปไตยมาแต่ตกระดเกิดมาจนกระทั่งถึงวันนี้ ตั้แต่แรกเริ่มอาตมาอาจจะเด็กไม่ทันพยาอะไรมโนปกรณ์มันเด็กเกินเท่านั้นเองในระดับจอมพล ป, อ, ป, อ, ปอเนี่ยอาตมาทันและพอรู้ความแล้วตัวที่ปฏิปิกริยาหลักคือจอมพลปอเนี่ยแหละเป็นตัวปฏิกริยาหลักนะพอนายกคนที่หนึ่งคนที่สองใครคนแรกที่สุด พยาพหนพยาหนพิเสนาสองพยามนุปรกรณ์นิติธาดาสามก็จอมพลแปลกจอมพลแปลกนะพระยาอัตมา ก, ก็ทันสองคนนั้นยังไม่เบียอะไรหรอกยังเพิ่งตั้งหลักสองพระยาสร้งตั้งหลักนะแต่มาคุณหลวงเนี่ยหลวงพี่บูนสงครามยังไม่ถึงพระยา คุณหลวงพิ่บูนทศคามน่ะหลวงพิ่บูนทงคามทันอัตมาทันแล้วก็ทําอะไรอะไรอยู่โอ้โหอัตมาก็เห็นว่าประชาธิปไตยแบบไหนแบบนัยยังไงยังไงมาจนถึงวันนี้เนี่ยพฤติกรรมของผู้ที่ทํางานประชาธิปไตยสองพญาต้นๆเนี่ยยังไม่เป็นรูปเรื่องอะไรหรอกพอจอมพลแปลกมาทำนี่ละรูปเรื่องเยอะมีเรื่องราวของการบริหารบอรประชาธิปไตยไทยไทยอา่าลงรูปแบบลงมาเยอะ นะพญามโนก่อนพญาพหนค อ, อ, อภัยสับกันนิดหน่อยอาตมาไม่ค่อยเก่งเรื่องประวัติศาสตร์เท่าไรเลยพญามโนประกอบก่อนพญาหพหนเมเยนาเพระพาระว่าพญาพหนปฏิวัติอีกทีหนึง่งใช่ไหมเพราะแล้วค่อยมาพอมพลแปลกตอนพลแปกแลกเราเป็นตัวปฏิกิริยาระหว่างประชาธิปไตยที่ชัดเจนก็เห็นประชาธิปไตยพฤติกรรมของจอมพลแปลกแกก็ มีส่วนที่หนึ่งตัวเองโลภสองปล่อยให้เกิดการโกงในวงการของแกเยอะสองประเด็นหลักหนึ่งตัวเองโลภ ก, กอบโกยโดยที่เราว่ามีภาะวะซับซ้อนกอบโกยอย่างทักษิณเนี่ยสองให้พักพวกโกงสองอันเนี่ยอย่างทักษิณ น, นี่ครบสองอันเลยให้พักพวกโกงแลก และตัวเองก็ซับซ้อนดูดใจนี่เลวจัดมากแล้วเป็นพฤติกรรมนายกที่เลวที่สุดทักษิณเนี่ยบอกได้ตรงๆทั้งหนึ่งหัวพักพวกกองปล่ยพักพวกกองสองตัวเองก็ซับซ้อนดูดวิธีดูดโอ้โหอย่างมหาศาลเห็นแก่ได้มหาศาลสองประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักที่ชัดเจนถ้าเผื่อว่าไม่ดูด ไม่เอามาให้แก่ต้นมากไม่ปล่อยให้พวกโกงสองประเด็นนี้เท่าที่ดูมาจอมพลแปลกก็ยังเยอะพอจอมพลแปลกมาต่อมาก็จอมพลถนอมใช่ไหมอาระแปลกปลายอันนั้นนี่อีกเยอะด็อกเตอร์ปีดีนานายกอีกหลายคนเนี่ยยังไม่ไม่ค่อยชัดไม่จะจะเด่นมาถึงจอมพลถนอมนอกนั้นก็ยังยังงั้นยังไม่จริงยังไม่เด่นยังไม่มีพฤติกรรมเด่นสักคน ทํานะมาจนมาถึงระดับสริริก็บริหารจริงใจแต่ก็ยังโกงพอได้นะยังโกงพอสมควรถือว่าโกงไม่น้อยนอยนะข่าวนั้นสี่พันกว่าล้า น, น <c oughs> เนี่ยเงินแต่ก่อนมั<อ>นแพงอะเงินค่ามันแพงสี่พันกว่าล้านนี่ถือว่าหนักหน้าสาหัสเหมือนกันนะนั่นก็เห็นชัดเจนอยู่ว่าพฤติกรรมอย่างนั้นผ่านจากนั่นมา เอกสลิก่อนถนอมนี่เนาะสลิก่อนอ่าสลิก่อนถนอมถนอมก็น่าดูอ่าถนอมมันจะเป็นลูกน้องสลิดแหลอถนอมอ่ถนอมนี่มาที่อันนี้เลยถนอมนี่เข้าเขตได้นี่แล้วสลิก่อนถนอมสลิเป็นนายถนอม เสด็จในเป็นนายถนอมนะถนอมนี่ก็เพิ่งจะต่อจากถนอมก็มาอ่านี่เลยพวกนี้เลยพวกอ่ารอส ช, อชอพกอะไรไปพวกนี้มาเลยครับนะก็ไล่มานเนี่ยสรุปแล้วบทบาทนายกมาแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยอัตมาให้คะแนานนายกที่เริ่มต้นใหม่ๆนี่แม้จะ first impression นะ แม้จะ first impression สัมผัสแรกแรกต้นๆ น, นี่ก็าตามอาตมาก็ให้คะแนนแล้วให้คะแนนก่อนล้คนอื่นอาตมาก็มี first impression ก็มาทั้งนั้นแหละใช่ไหมเพราะว่าสัมผัสมาตั้งแต่นายก ท, กที่อาตมาพอรู้ความนายกจอมพลแปลกมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงปัจจุบันนะเพราะงั้นอาตมาจึงให้ราคาของผลเอกประยุทธ์ ให้ราคานอกนั้นนะมันยิ่งไม่มีอะไรเด่นแต่ละคนแต่ละคนมีแต่เรื่องพูดไ ม, ม, ม, ม, ม่มีสาระมันไม่ได้เนื้อหาที่พอเลยนนายกมาตั้ง2ี่สิบว่าคนเนี่ยนะกระปิดกระปลอยไปอะไรๆต่างๆนานาแม่แต่ครึกฤทธิ์ก็เถอะ โ, โมเโลก อ, อ่ ะ, อะพ้นเอกเปลงก็เถอะพ้นเอกเปลมเนี่ยไปมีตัวอย่างพอสมควร มีตัวอย่างที่ทำไปตนเองนะไม่ได้อยู่ในฐานะที่หนึ่งก็ไม่ปล่อยให้พรรคพวกช่วยกันโกงอย่างที่อาตมาตั้งค๊อสเกตสองเงื่อนไขหลักตัวเองก็ไม่ซุกซ่อนโกงกินอะไรนักหนา จ, จอมพลเออไม่ใช่จอมพลก็จอมพลแหล ะ, ลละตําแหน่งพลเอกเปรมเนี่ยก็ได้ตําแหน่งจอมพลเหมือนกันเพราะว่าเาลดตําแหน่งทิ้งไปแต่อัตราเขายังอยู่อัตราจอมพล เพราะฉั้นจึงได้เป็นรัฐบุรุษคนเดียวในประเทศไทยพลเอกเปรมจึงได้เป็นรัฐบุรุษคนเดียวที่ในหลวงท่านมองออกอในหลวงท่านมองออกแม้แต่ท่านปรีดีพนมยงต์ไอปรีดีนี่เป็นนายกหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะเป็นเดอ้เอไเราในประวัติศาสตร์แย่จริงๆนะ ประวัติศาสตร์เรานี่แย่จริงแม้แต่ประวัติศาสตร์ประเทศไทยแต่เป็นเจ้าของคานวนว่าพ อ, อมีอำนาจก็ยังไม่มีความรู้แต่พอมีความพอรู้พอเข้าใจรู้แล้วก็ไม่มีอำนาจไม่มีอำนาจครับถอามีอํานาจคือมันยังไม่รู้แล้วถูกเขับปฏิวัติออกไปก่อนครับยังไม่รู้ว่าจะรับจากการประชาธิาปไตยยังไงปีดีคนที่7จอ้าวอาวละแม่แต่ปีดีก็ได้เป็นรัฐบุรุษของประชาชน ยังไม่มีโอกาสได้ทำงานอย่างที่ท่านเดินทินว่าอพอยังไม่มีอำนาจก็ยังไม่มีโอกาสได้ทำพอมีโอกาสก็ไม่มีอำนาจได้ทำพอมีโอกาสก็ไม่มีอำนาจได้ทำดีว่างั้นแต่เสร็จแล้วก็เอาเถอะถึงยังไงยังไงก็พิสูจน์ยืนยันได้เฉพาะทั้งจุดป่านนี้แล้วกว่าก็ไม่ใช่เป็นคนที่ประพฤติโกงกินหรือว่ามีความ มุ่งมาตรายอะไรต่อประเทศชาติก็เลยกลายเป็นรัฐบุรุษประชาชนไปในประเทศไทยเลยมีรัฐบุรุษสองคนรัฐบุรุษที่ได้รับการยอมรับได้รับแต่งตั้งจริงก็คือนายกเปรมกับรัฐบุรุษปรีดีพนมยงค์นะเพราะงั้นอาตมาพูดมาแล้วว่าถ้าเผื่อว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะทาซะโอกาสนี้ อาตมาขอยืนยันนะว่าอาตมาเจตนาดีที่กำลังจะพูดต่อไปนี้แม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะมีกิเลสอย่างไรรู้ไว้เสเถเีิรว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดแล้วในชีวิตที่จะทำงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตเต็มที่อาตมามั่นใจในความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดพอเหลือแต่ความซื่อสัตย์ให้จริงเท่านั้นเองความรู้ความสามารถอาตามาเห็นแล้วว่าประยุทธ์มี มีพอความรู้ความสามารถที่จะบริหารพอขนาดปูมยังบริหารได้ไปปีๆเลยปัตโตะประเทศไทยขนาดประยุทธ์จะบริหารไม่ได้ยังไงจริงนะไม่ใช่ไปดูถูกดูแทนปูเปอรอะไรก็หรอกอไม่มีน้ํายาอะไรจริงๆเลยเให้ทักษินชักจูงจมูกทำไปตามเท่านั้นเองซึ่งก็ไม่ได้ปิดบัง ทักสินคิดยิ่งรักธรรมยิ่งรักกับหัวหน้าไม่ใช่หัวหน้ากับคุมพรรคเพื่อไทยทาก็ชัดชัดอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรปิดบังอะไรเลยนะเพราะฉะนั้นเหลืออย่างเดียวอะอย่างไรอย่างไรก็แม้กิเลสมันจะมีกดข่มมันเอาไว้ทำไปตลอดชีวิตนี้ให้มันตายลองดูสิถ้ามีโลภอะไม่คีโลภสะนะพยายามเสสละอย่าไปโลภเลย ลูกก็มีแค่แฝดคู่เดียวอน่ยเมียก็มีคนเดียวมัง้งขออภัยต้องใช้คำว่ามั้งไม่รู้นี่ไม่ไม่รู้อะไรจริงอะ่ะแต่ถ้าเพราะว่ามีคนเดียวก็เป็นได้ถ้าไม่มีคนเดียวก็อาตมาก็ไม่รู้เพราะมันไม่รู้จริงอะ่ะอ่ยก็แค่นั้นเองญาติโกโยติกาก็จะเท่าไหร่กันน้องชายก็เป็นตั้งดี่จะกกเป็นพลเอกอยู่แล้วเป็นพลเทพลโทก็รอรอจังหวะไม่ยชาก็จะเป็นพลเอกอยู่แล้วก็อะไรกันนักกันหนาเนะ พระอัตมาถึงว่าเป็นโอกาสอันดีมากเลยพลเอกประยุทธ์ที่จะทํางานเสียสละสร้างสรรค์เป็นกุศลส่วนตัวเลยนี่เป็นสัจจะของธรรมะเลยเป็นโอกาสที่ดีมากเลยถ้าได้จริงใจทําให้เต็มที่เลยนะทำให้เต็มที่แล้วซื่อสัตย์ยาขี้โลภเป็นภัยหนักอันนี้ส่วนฟีมืออาตมาเชื่อที่แสดงออกแล้วเนี่ยความรู้ความสามารถมีความรอบรู้รอบตัวมีความ เอาใจใส่ในเรื่องอะไรใดแต่ต่างๆนานาเนี่ยเห็นแล้วอาตมาขอยอมรับอ่ายอมรับว่าใช้ได้ทีเดียวทําไปเต็มที่เลยตามนั้นแหละแล้วก็ขอเรื่องเดียวเนี่ยถ้าเผื่อว่าเรื่องนี้ซื่อสัตย์สุจริตไม่ขี้โลภแล้วอาตมาบอกแล้วว่าคุณประยุทธ์จะได้เป็นรัฐรบุรุษจริงๆและเป็นรัฐรบุรุษที่เด่นเด่นด้วยเด่นเขายืนยันว่าจะเด่น ถ้ามีความซื่อสัตย์จริงใจกิเลสน้อยแม้จะไม่หมดเป็นพระอาหารหันต์ก็ตามกดมันไว้ค่มมันไว้ยาไปให้มันออกมันชาตินี้ชาติเดียวขอสักชาติเถอะทาเลยขอความซื่อสัตย์สักชาติหนึ่งเพื่อประเทศไทยจะเรืองรองมันไม่เพื่อประเทศไทยหรอกอมันจะเป็นตัวอย่างตอนนี้กาลังจะเกิดนะ่ะเป็นอาเซียน กำลังจะรวมอาเซียนซึ่งทางยุโรปก็กรรวมกันแล้วเพราะนั้นทางเอเชียก็จําเป็นที่จะต้องรวมอาเซียนด้วยมันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นมันจะเป็นตัวอย่างมันจะเป็นหลักให้แก่ภาคเอเชียนี่ทีเดียวประเทศไทยมันจะเป็นตัวอย่างเป็นหลักให้แก่ประเทศไทยเลยเพราะจะเป็นทั้งหลักบริหารเป็นทั้งหลักเศรษฐกิจเป็นทั้งหลักสังคมให้แก่ประเทศชาติ อย่างแท้จริงเลยเขายืนยันเพราะพ่อครูมองภาวะที่เราจะเปิดอาเซียนเนี่ยมีคนนักวิชาการก็มองว่าจะเป็นประโยชน์กับพวกในทุนไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนพ่อครูมองอย่างนี้มันอยู่ที่ประชาชนถ้าประชาชนรู้ทันและประชาชนไม่ได้เห็นแก่ตัวมากมายเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างมากเลยแต่ถ้าประชาชนยังเห็นแก่ตัวอยู่ ต่างคนก็ต่างจะใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะร่วงตับกินไส้ส่วนกลางหรือว่าส่วนส่วนแบ่งจากสังคมจะร่วงตับกินไส้ใส่สังคมส่วนกลางถ้าอย่างนั้นก็ไปไม่รอดแต่ถ้าเผื่อว่าแต่ละคนแต่ละคนเห็นแก่ส่วนรวงแล้วก็เป็นคนมักน้อยสนโดเป็นคนไม่มีกิเลสหรือกิเลสน้อยจริงๆค่าเฉลีย่ยแล้วกิเลสน้อยเอเชีย อาตมาเชื่อว่า ก, กิเลสน้อยนะเอเชียเนี่ยอาตมาเชื่อว่า ก, กิเลสน้อยกว่านะกิเลสน้อยกว่าเพราะอะไรเอาลองวิเคราะห์ให้กว้างขึ้นภาคยุโรป ก, กับภาคเอเชียพลเมืองภาคไหนมากกว่ากันเอเชียเห็นไามภาคเอเชียพลเมืองมากกว่าอยู่แล้วนะ ทีนี้ภาคยุโรปกับภาคเอเชียเนี่ยนะแม่พูดอันนี้ไปนี่มันมันจะลึกเหมือนกันนะใน ด, ด้านจิตวิญญาณาศาสดาทางด้านยุโรปกับาศาสดาทางด้านเอเชียใครมากกว่ากันและใครลึกกว่ากัน เพราะเอเชียนี่มีโลกุตระแต่จุโรปไม่มีโลกุตระไม่มีขอยืนยันว่าไม่มีจุโรปไม่มีโลกุตระแม้แต่ตะวันออกกลางก็ไม่มีโลกุตระมีเอเชียมีเป็นโลกุตระเพราะฉะนั้นอาตมาจถถึงไม่ไม่เกรงเลยไม่หวั่นเลย ที่อัตมาวิเคราะห์กว้างๆในฟังเนี่ยพอเราพอฟังแล้วก็รู้เรื่องเข้าใจนะและยิ่งประเทศไทยตอนนี้นะอัตมาว่าคนไทยกําลังจะเชื้อโลกุตระกําลังก่อวอดนะถึงแม้ว่ายังไม่แตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวเชื้อโลกุตระยังไม่แตกมแตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวแตกปีป๊ปเลยนะยังไม่แตกเนื้อหนุ่มเนื้อสาวยัง ไม่ค่อยเดียงสาเพื่ออะไรที่บ้างเพคนแก่ก็แกก็ตามแต่โอกระทาแล้วเชื่ออย่างลงแล้วเชื่ อ, อยังลงสูงโ่โอกโอกรทานี่คืออย่างลงแล้วเชื่อของอันนี้ยังลงสู่ประเทศไทยประเทศไทยจะเป็นชมพูทวีปประเทศไทยจะเป็นเมืองพุทธประเทศไทยจะนําสังคมโลกพาสังคมโลกไปสู่ความสงบร่มเย็นในอนาคต ก็ภายในอาตมาไม่ได้พยากรหรอกแต่พูดไปตามเนื้อผ้าพรอครูพอจะบอกสัญญาณได้ไหมครับว่าอะไรที่เป็นสัญญาณให้พรอครูเชื่อว่าโลกุตละกำลังก่อวอดเนี่ยครับ อ, อ๋อก็เราเห็นอาตมาเห็นก็ประชาชนเนี่ยเนี่ยตาดําๆเนี่ยตาขาวน้อย <c oughs> ก็พวกเราตาดำดำตาขาวน้อยแต่ผมขาวมากเนี่ยตาดำมากผมขาวมาก ตาขาวน้อยแต่ผมขาวมากเนี่ยนี่เป็นมวลเป็นเครื่องฟัดค้าเป็นดัชนีบอกให้อัตมาเห็นพวกคุณแกล้งมาจนเน่ยแกล้งมามีเศรษฐกิจแบบนี้แกล้งมามีชีวิตแบบนี้คุณแกล้งสุขหรือเปล่าแกล้งสุขหรือเปล่าอัตมาว่าพวกคุณไม่ได้แกล้งมาสุข สุกอย่างเนี่ยลักษณะโลกุตระเนี่สุกอย่างมักน้อยสะดุดสุขอย่างมักน้อยสะดุดอย่างมีเงื่อนไขนัมักน้อยสัดุ ด, ดที่ขยันมันเพียนอยู่กับสังคมนั่นไม่ใช่มักน้อยสะดุดเยรูสีอีกโลกุตระเนี่มันมีเงื่อนไขนเยอะนะแล้วก็ขยันมันเพียนศิบสระเห็นเนี่มีรูปธรรมเห็นชัดเจนเลยตามสว่าคาตธรรมเอาตอนเองเข้ามาเป็นตัวจริงนะแล้วก็สามารถที่จะทําได้ตามหลักที่มีทิศเดียวกุจจะอากาลิโกยุคนี้ก็ยังมีโลกุตระเกิดได้นะเอฮิปัสโก เชิญมาดูได้มีผลแล้วพิสูจน์ได้เชิญๆเนี่ยมาดูได้ว่ามาเดินดูเถอสัมผัสดูถ้ามีความรู้ก็จะรู้เลยว่าเนี่ยมันเข้าล่องเข้ารอยคนแบบพระพุทธเจ้าท่านเป็นอริยะแบบพระพุทธเจ้าจริงไหมเนเพราะฉะนั้สิ่งนี้เป็นสิ่งยืนยันดัชนีชีฆ่าดมาแม้มีมวลเท่านี้ ศาสนาคริสต์นั้นนะเริ่มต้นด้วยสาวก12บสองคนเองและคำสอนของพระเยสูก็แค่ท่านใช้เวลาเทศปริยาบรญราอยู่ไม่กี่ปีกี่ปีอะสามปีหรือเปล่าน้อยที่สุดเลยและของพระพุทธเจ้านี่เป็นโล ก, กุตระใช้เวลาตั้งสี่สิห้าปี หลักฐานยังมีและตอนนี้แม้มันจะเสื่อมชุดไปมากอาตมาก็ว่ามันเกิดแล้วนอกจากคนมองไม่ออกเท่านั้นแหละถ้าคนที่มองออกจะรู้ว่ามันเกิดแล้วในประเทศไทยการตื่นตัวของบวญมาประชาชนนี่พ่ะครูบอกว่าจะเป็นแนวแนวพันลวกไปแน่นอนไปโลกุตระมันไม่โล ก, กียะแล้วเพราะว่าคนตื่นตัวประชาชนตื่นตัวกันเยอะแล้ว เป็นแต่เพียงว่าเขาไม่แน่ใจเขาไม่มั่นใจเพราะหนึ่งเขาแม้ยังไม่เข้าใจว่าโลกุตระคืออะไรจริงๆเป็นอย่างไรเขาถูกพลางถูกลวงกันว่าโลกุตระก็เหมือนก็ยังจะกระแสหลักอัตมาเขายืนยันว่ากระแสหลักไม่เป็นโลกุตระแล้วเป็นโลกียะไปเกือบจะร้อซแล้วด้วยกระแส ห, หลักนะพุทธศาสนากระแส ห, หลักนะั้นเป็นโลกียะเป็น ไม่ใช่โลกุตระนะแต่คนที่มีปัญญาเขาจะเข้าใจเขาจะมองออกเขาจะเห็นแต่มันเห็นไม่ง่ายไงถึงเห็นง่ายไม่ง่ายเราแน่ใจว่าสิ่งนี้เป็นโลกรุตระเราก็ทําไปกันแล้วกันสั่งสมมาช่วยกันมันจะเห็นได้ง่ายก็มันต้องมีรูปตอมีรูป เห็นในกว้างขวางมีฤทธิ์มีแรงมีพลังราศีคุณราศีคุณนิทิคุณนิทิกับคุณราศีมากเพียงพอคุณนิทิคือต้นทุนต้นทุนนิทินีตนนนน่ต้นทุนของสิ่งที่เป็นก่อเป็นกรรมเป็นกองกับคุณราศีก็คือเป็นพลังออกเทียบได้กับพลังงานสองอย่างหนึ่งพลังงานพลังงาน คุณนิธิส่วนเคนติกเอนเนจีน่คือพลังงานราศีคุณราศีสองพลังงานนี้มีอย่างเพียงพอมากพอมันจะแสดงตัวออกฤทธิ์ออกอำนาจออกพลังอยู่ในสังคมเองเหมือนกับเราชาวอาโศกเนี่ยกำลังก่อวอดพูดไปแล้วมันก็เข้าเนื้อเหมือนกับเราอวดตัวอวดตนอาตมาก็ พูดไปมันมันมากระทบตนนะ่ะมันกระทบตนมันก็ไม่อยากจะให้คนอื่นเขามองไปในแง่นั้นแต่มันเลี่ยงไม่ได้หรอกว่าพูดดีมันก็ถูกตัวเองพูดไม่ดีมันก็ไปถูกคนอื่นเลี่ยงการกระทบไม่ได้ถ้าจะพูดพูดแล้วมันไม่กระทบใครเลยใครเขาไม่เป็นเลยแบบนี้เราก็ไม่เป็นคนอื่นก็ไม่มีใครเป็นแล้วพูดไปทำอะไร พูไปทำเสียเวลาเสียน้ำลายทำไมมันก็พูดให้มันรู้ว่านี่มันเป็นคนมีอย่างนี้นะกระทบตนกระทบท่านแล้วกระทบท่านเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กระทบเพื่อให้รู้ตัวเพื่อให้แก้ไขปรับปรุงหรือกระทบเขาเพื่อทำลายฆ่าแกงมุ่งร้ายกับเขาเราไม่ได้กระทบเพื่อจะจะมุ่งร้ายทำลายฆ่าแกงเขา แต่เราขอให้เขากระทบให้รู้สึกตัวให้เข้าใจให้รู้ว่ามันตัวเองเป็นอย่างนี้จริงๆฟังมั่งมีประตโตโสสะมั่งถ้าเผื่อว่ามีประตโตกโสสะรู้ว่าคนอื่นเขาบอกให้ด้วยความเมตตามุ่งดีไม่ได้มุ่งร้ายอะไรจริงๆตรวจตัวเองเถอะเมื่อรู้ตัวแล้วก็ปรปับปรุงแก้ไขไม่ให้กระทบตนกระทบท่านมันไม่ได้เราอาตมาเคยพูด พูดอะไรมันก็กระทบพูดดีก็กระทบพูดชั่วก็กระทบถ้าพูดทั้งดีทั้งชั่วมันไม่กระทบใครเลยข้อพายได้ไปพูดทำหอกอะไรวะมันต้องพูดอย่างนี้ยุคนี้ใช่ไหมไม่เกิดประโยชน์อะไรมันต้องพูดให้มันมีผลมีพวกเราเข า, เาตั้งข้อสังเกตว่าที่พูดกันออกโทษทัดอะไรเนี่ยเาบอกกันนอนหลับสักตื่นนีงก็ได้ เราค่อยลุกขึ้นมาฟังต่อเขาบอกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกเขาว่าอย่างรครับเขา ร, รู้แคบเราขยายผลขยายกลายละเอียดไปตลอดเวลาเลยขณะ น, นี้อย่างวันนี้เนี่ขยายไม่ใช่น้อยเลยขยายอย่างเป็นของจริงด้วยนะขยายอย่างมีสิ่งจริงรองรับด้วยไม่ใช่ลอยลมด้วยแล้วอยู่ในภาวะรีบด่วนด้วยจะพูดวันนี้ถ้าใครฟังเป็นถ้าใครฟังไม่เป็นก็อย่างที่คุณพูดแนะ โคตรมันก็วนอยู่ตรงนั้นน่ะเขาก็เห็นเป็นก้อนๆอยู่นั้นเขาไปดูเรื่องอะไรเขาไม่ได้หมายถึงเราหรอกครับเขาหมายถึงนักวิชาการหรือว่าพระเทพทั่วไปที่ว่าไม่กระทบใครเลยคือเขาบอกนอนหลับแล้ตื่นนี่ก็ได้ตื่นมาก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหรอกพอเขาเจตนาที่จะไม่ให้ไปกระทบอย่างที่พรบครูว่านะไม่กระทบใครเลยพูดอ๋อใช่ไม่กระทบใครเลยน่ะพูดไปทําอะไรนะบอกแล้วนะพูดไปทําอาวุธด้ามยาวทำไมก็พูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยครับพูดไปไม่กระทบอะไรใครเลยนะพูดไป ไม่มีใครเ็าเป็นเนี่ยจะพูดเรื่องดีก็ไม่กระทบใครไม่มีเลยเป็นแบบนั้นดีอย่างนั้นก็ไม่มีจะพูดกระทบชั่วชั่วอย่างนั้นก็ไม่มีใครเขาเป็นน่ะก็พูดไปทำไมมันเสียด้ามยาว <c oughs> เสียอาวุธ ด, ด้ามยาวทำไ ม, <c oughs> ไ, มไม่เห็นประโยชน์อะไรใช่ไหมเพราะงั้นเราพูดนี่ต้องมีสิ่งจริงเราจึงพูด และมีสิ่งจริงนี่แหละเราพูดเพื่อให้คุณรู้ตัวไม่ได้มีความมุ่งร้ายจึงเรียกว่าพูดอย่างมีเมตตามีความปรารถนาดีขอยืนยันว่าอาตมาพูดด้วยความปรารถนาดีไม่ได้มีเจตนาทีอยากให้ร้ายนะแต่พูดถึงเรื่องร้ายนั้จริงแต่เรื่องร้ายนั้คุณมีจริงไหมละ่ะถ้าอาตมาพูดไปเนี่ยคุณไม่ไม่ได้ร้ายอย่างที่อาตมาว่าหรอก ก็แล้วไปสิอาตมาโง่เองอาตมาพูดผิดนะ่ะบาปก็เป็นของอาตมาแล้วใช่ไหมเพราะอาตมาไปพูดสิ่งที่ไม่จริงไปตู่คนคนอื่นเขาก็ไม่ได้ชั่วเขาไม่ได้เลวเขาไม่ได้ผิดอะไรเลยไปว่าเขาเราก็รับไปนี่เป็นสัจจานะกรรมก็ตกเป็นของเราเหมือนพรพุทธเจ้าท่านบอกว่าเออแขกมาแล้วเราก็เลยเอาอาหารมาต้อนรับ แขกเขาก็ไม่เอาแขกเขาก็ไม่รับอาหารนั้นแต่อาหารนั้นมันจะตกเป็นของใครอะ่ะก็เป็นของเรานะเพราะงั้นเขาเองเขารู้ตัวหรือเปล่าเท่านั้นเองซึ่งเราบอกว่าเราเองเราเมตตาเราปรารถนาดีเราไม่ได้พูดที่มุ่งร้ายอะไรนะเราไม่ต้องการทําลายใครเลยแม้แต่คนชั่วที่สุดไม่ต้องการทําลายคนชั่ว ต้องการให้คนชั่วมีสำนึกมีสติมีสำนึกแล้วแก้ไขสิ่งชั่วของตัวเองเสียนี่คือจุดมุ่งหมายเมื่อคุณแก้ไขตัวเองแก้ไขความชั่วความไม่ดีของตัวเองได้แล้วคุณไม่ต้องมาตอบแทนบุญคุณอะไรอาตมาหรอคุณเองคุณก็เป็นคนดีสังคมก็ได้สิ่งดี น, นั้นขึ้นมาในสังคมแล้วเท่านี้ก็พอใจแล้วอาตมา ไม่มากๆหรอกเอาแค่นี้ยะไม่ต้องมาตอบแทนอะไรแต่มาให้คนดีขึ้นจริงๆกันแล้วกันซึงผมก็ได้สิ่งดีนแหไะก็จบลเลวครับเพราะครูคิดว่าทิศ ท, ทางของบุญนิยมทีวีกับโลคุตราเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กันอย่างไรครับโอ้โหอันนี้เนี่ยหาว่าพูดไปแล้วมันด้เข้าตัวเองยกตัวเองชมตัวเองอวดตัวเองนะ อาตมากำลังขยายความเรื่องโลกุตระมากเลยหนังสือเลม่มใหม่พูดไปแล้วก็เหมือนโฆษณาหนังสืออีกแหละที่จะออกเนี่ยค่าบุญคือบาปเนี่ยอธิบายเชิงบุญเชิงกรรมไม่ใช่กรรมกรรมไม่ได้ขยายมากกายกายกับบุญและโลกุตระโล ก, กียะขยายเยอะขยายโลกุตระ ยกคนี้ต้องขยายโลกุตระพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ในอานิสูตรกลองตะโพนไอที่ตุมๆๆนี่เหล็กตะโพนก็เหล็กเหล็กกรองก็เหล็กลชื่อตะโพนหรือกลองอานกะพระพุทธเจ้าท่านพยากรณ์ท่านตรัสไว้ก่อนที่ศาสนาจะเสื่อมท่านตรัสว่าต่อไปในอนาคตมัน ศา ส, สนาจะเสื่อมอะไรเสื่อมโลกุตระเสื่อมคนจะไม่สนใจในโลกุตรคนจะไปสนใจในเรื่องที่เขาคาประเลาประโลมเรื่องที่พูดกันเป็นโลกิยะอันไพเราะโลกิยะอันเอา อ, อกเอาใจโลกิยาหวานจ๋อยพูดอย่างขวานจักตองอย่างโพทธทิรักในเขาไปฟังหรอกลายลีลาคล้ายๆกับประยุต์นี่แหละ ดีนะประยุทธ์ตอนนี้พูดดีขึ้นเยอะเลยพูดคิดถึงนะจะพูดคิดถึงเท่านั้นเราดูล่าท่าทีเขเถอะนะมันแสดงปุริสภาวะแม้จะแสดงพูดคิดถึงนะาก็ปุริสภาวะมันไม่ออกอิทธิภาวะเลยนะอ้าวโลกุตระนันนะพระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ในอานิสูตรเนี่ย ในอนาคตอันไกลตะโพนเนี่ยมันมีเนื้อมีลมีตัวกรองมีหนังกรองมีเนื้อกรองมีเส้นมีสายมีองค์ประกอบของมันเป็นตัวกรองหรือตัวตะโพนอยู่นานบรรดเข้ามันก็ชำรุดตรงนั้นแตกตัวนี้ลิข์ก็ไปเรื่อยๆคนก็ไปซ่อมเอาอันนั้นก็ไปใส่แทนดีไม่ดีมันไม่แตกเอาคนเอาไป ตัดมันออกมาว่านี้ไปใส่แทนตัดมันออกมาว่านี่ไปใส่แทนมันไม่แต่งไม่รีเองแล้วนะหั่นมันเลยจิ้มามันไปกินเนื้อกินหนังมันเอาใส่เข้าไปแทนนี่แหละพวกขี้โกงทุจริตนะขอรับชันเอาเนื้อเอาหนังไปใส่แทนมือนกับคนขี่โกงหลอกนะหลอกเอานั้นมาใส่แทนเอาอันนี้ไปแทนแล้วก็เอาของจริงไปที่คนมันหลอกมันขี้โกงกันเยอะแยะจนกระทั่งอยู่ไปอยู่ไป กลองนี้ก็ชื่อกรองอนิกะอย่างเก่าชื่อกลองอนิกะอย่างเดิมชื่อเดิมเหมือนกับพุทธนี่แหละเหมือนโลกุตระนี่แหเรียกโลกุตระเรียกพุทธเหมือนอย่างเดิมแต่เนื้อมันหนังมันตัวกลองเชือกร้อยองค์ประกอบของมันไม่เหลียวเปลี่ยนแปลงไป ห, หมดแล้วคนเอ า, ม, ามันเปลี่ยนแปลงไป ห, หมดแล้ว เหมือนกันกะโล ก, กุตตระหรือพุทธศาสนาปัจจุบันนี้เลย 2,500 เลยเลยมาเนี่ยเป็นอย่างนี้เลยที่พระเจ้าท่านตัดเอาไว้ก่อนที่ศาสนาจะเสื่อมเนี่ยในอานิสูตรเนี่ยนะเป็นจริงอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นอาตมาจึงไม่ได้ตกใจไม่ได้สงสัยไม่ได้ ตื่นเต้นอะไรเลยแล้วก็ไม่ได้น้อยใจอะไรเลยว่าอาตมาพูดถึงโลกุตระที่คนไม่ฟังก็มันตรงกับของพระเจ้าตรัสไว้น่ะเป๊ะเลยอ่ะเขาก็ไปฟังได้โอ้โหพูดเพราะๆมีท่านพูดเพราะเพราะเยอะแยะไปเปล่าเปล่ามูนะจ๊ะนะจ๋าอะไรต่างๆนานาเรื่องไม่เจ้าไม่จ๋าก็พูดหวานพูดเพราะพูดคมพูดเก่งพูดดีอ่าอย่างวอวชระเมธีเงี้ยหเจ้าพูดอะไรเงี้ย จะได้รับรางวัลอีกเยอะเลย ว, วอชรเมทีเนี่ยจริงๆริง อ, อัตมาไม่ได้ดิสหยาดนคะอไปไม่ได้แย่งเราไม่ได้คิดจะแย่งรา ง, งวัลอนะไรท่านหรอกอท่านก็ศึกษาท่านก็นดีเดินทางที่มาเรื่อยๆก็ดีแล้วแต่ดังนั้นแนหะท่านก็นว่าไปก็ตามประษาจริตของท่านมันไม่เหมือนของอัตมาไงก็อัตมามันเป็นของอย่างอัตมาซึ่งหลอกเรียนแบบยากเหมือนกันนะ อัตมานี่นะนี่ส่วนคนที่จะคล้ายๆกับอัตมาอีกคนก็คือพุทธอิสระพุทธอิสระคล้ายๆอัตมาเหมือนกันก็ลองดูนะลองเราทำงานนะว่ากันไปนะสรุปแล้วยุคนี้โลกุตระมันเสื่อมจนกระทั่งคนไม่ไม่รู้ว่านี่โลกุตระ ไม่ใส่ใจไม่เอาใจใส่ไม่เงี่ยหูฟังไม่โสดับดีไม่ดีก็ดูถูกดูแคลนด้วยเสื้อตมาไม่ได้ตกใจบอกแล้วไม่ได้ตกใจไม่ได้น้อยใจอะไรรู้ชัดอยู่ว่ามันเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ถึงยุคก็เป็นไปเราก็ภาคเพียนเสื้อตมาเองอาตมาอุ่นใจไม่ได้ตกใจแต่อุ่นใจไม่ได้ตกใจไม่ได้น้อยใจแต่อุ่นใจอุ่นใจที่ตรงเมื่อเอาอันนี้มาเสนอแล้วมีคนเห็น มีคนเข้าใจมีคนรับได้มีคนมารับเอาไปปฏิบัติประพฤติจนเกิดผลไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่สิบคนไม่ใช่แค่ร้อยมีเป็นพันมีเป็นหมื่นอาตมาไม่อยากจะพูดไปว่ามีเป็นแสนเพราะอาตมาไม่มีสถิตินั้นนะแต่อาตมามวลหมื่นเนี่ยอาตมาคิดว่าประมาณไม่ผิด มีได้จะกี่หมื่นไม่รู้จะถึง 90, 9 9 9 9 9อกกดอกหรือเปล่าไม่รู้นี่น้นำกุหลาบแดง 9,999 ดอกจะถึงหรือเปล่าไม่รู้น่แต่มีมีแล้วแม้มีเท่านี้เป็นเชื้อแท้เป็นเชื้อจริงก็ไปรอดไปรอด ทุกวันนี้มันไม่ได้เกิดแต่เชื่อทางวิญญาณเท่านั้นมันเกิดองค์ประกอบทั้งดินน้มไฟลมเกิดองค์ประกอบไปทั้งวัตถุธรรมเกิดองค์ประกอบไปทั้งพฤติกรรมมีพฤติกรรมที่เป็นโลกุตระมีทั้งพฤติกรรมและไปถึงขั้นกล่าวได้ว่าเป็นวัฒนธรรมด้วย มีเรื่องมีเรื่องราวมีประวัติมีรูปแบบมีนี่มีหมดละมีเรื่องราวมีประวัติมีรูปแบบมีตัวตนมีนิทานมีนะนี่ของอโศสงค์นี่มีละแบบบุญนิยมนี่เป็นละเพราะฉะนั้นคนมันรู้ความสำคัญในความสำคัญโดยเฉพาะคนที่มีภูมิปัญญาพออาริยบุคคลเป็นต้น ที่มีภูมิปัญญาพอรู้ว่านี่คืออริยะนี่คือโลกุตระเมื่อรู้แล้วเขาก็ไปทำเขาก็มาศึกษาเขาก็ได้เอาไม่ต้องเอาใครเอาคุณเนี่ยแต่ผมตายนี่คุณจะสืบสารต่อไหมอ๋อก็ต้องต่อนะครับไม่มีทางอื่นครับเออไม่ไมีทันไม่จะไหวหรอจ <laughs> ยุดดีกว่าไปอยู่คนเดียวดีกว่าคือคือถ้าเป็นผมรูบเดียวก็ังไม่ไหวหรอกครับแต่กำมองเห็นอยู่ว่า เรามีหมู่คลุมดีคณะที่จะช่วยกันทำจะมีหรือเนี่ยผมตายแล้วอาจจะหนีหมดก็ได้เลยคุณนะ่ะจะสัทธาท่านเดินดินไหมจะช่วยท่านเดินดินไ้ยเนี่ยพูดเอาใจกันนะไม่ค่อยเชื่อเอะเราลองตายดูก่อนดีไหมเนี่ยจะได้เหลือท่านเดินดินลองตายดูก่อนอาตมาว่าไม่ต้องพิสูจน์หรอกนะอาตมาดูน้ําหนักของ ทั้งองค์ประกอบของมันทั้งตัวบุคคลที่แสดงพฤติกรรมแสดงจิตใจแสดงตัวเองจริงๆเลยและก็มาละมาลดมาทิ้งมาปฏิบัติประพฤติมาอยู่กันอย่างเห็นมันรวมมันมีองค์รวมต่างๆนานาที่ประเมินแล้วมันได้ข่าได้ข่าที่อาตมามั่นใจว่าอได้ข่ารวมแนละ้วมัน มันใช่มันพอมันไม่สู์สลายง่ายแล้วมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงอะไรหรอกมันตั้งหน้าตั้งตาจะเดินหน้าไปต่อแน่นอนอาตมามั่นใจว่าตั้งแต่บัดนี้ไปอาตมาทำงานมา4ี่สิบปีเข้าหลักเข้าเกณฑ์ของหน่วยที่สี่กำลังจะขึ้นหน่วยที่ห้า 40กว่าแล้ว40สก็เต็มหน่วยที่4ใช่ไหมนี่ขึ้น44่บี่หแล้วก็เป็นหน่วยที่ห1 2หนึ่งสองสาหเมื่อหไปถึง6มันก็จะเป็นอีกเศร้าหนึ่งนี่คือสิ่งที่อาตมาเข้าใจและอธิบายยากยากเป็นการใช้สังขยาเลขมาเป็นการสื่ออธิบายถึงคุณลักษณะต่างๆ เป็นการนับสถิติหรือเป็นการวัดค่าหนึ่งกับสองเนี่ยมันจะยังไม่เกิดการแรงงานที่ครบวงจรหนึ่งกับสองมันจะไม่เกิดแรงงานที่ครบวงจรพอเริ่มต้นมีองศาพอเริ่มต้นองศามันจะเกิดมีสามมุมขึ้นมาเริ่มต้นมีองศานิดหนึ่งก็เพิ่มต้นมีมุมนิดหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมนิดหนึ่ง พอมุมองศามันมากขึ้นมันก็จะมีสิ่งที่ขยายขึ้นมาเรื่อยๆความวนมันก็จะอาศัยสามมุมนี่เป็นแรงเป็นแรงถ้ามันยังไม่วนมันก็จะรีรีแบนๆมันก็ไม่มีแรงมากถ้ารีค่อยๆวงกลมขึ้นม า, มากๆมันจะมีแรงมากขึ้นแรงเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้น จะกลมดิกเลยแรงมันก็เต็มที่แรงเต็มที่เป็นวงจรครบทั้งเร็วทั้งแรงทั้งได้รูปทั้งไม่มีสิ่งที่จะต้านทานสิ่งต้านทานลดลงลดลงลดลงลดลงสิ่งใดที่ยังไม่สมบูรณ์อย่างกลมดิกมันจะมีตัว แง่งเงินเงินที่เกิดการขัดสีเกิดการไม่ราบรื่นเรียบร้อยเกิดความร้อนอันนี้จะเกิดความเย็นจะเกิดความคล่องจะเกิดความสมบูรณ์เมื่อเกิดสภาพเต็มรูปสมบูรณ์หมุนรอบได้เต็ม มันไม่ขาดตอนไปอย่างเงี้ยมันจะมันค่อยๆพอไม่มีสามีสีถ้าองค์ประกอบที่มันได้สัดส่วนมันก็จะเกิดสีเกิดห้าเกิดหกแล้วมันก็ค่อยไปหาเจ็ดหาแปดหาเก้ามันจะค่อยๆเป็นราศีเป็นรังสีเข้าไปเป็นนามธรรมา ท, ที่น้อยละเอียดไปเป็นจริงไปเรื่อยๆเมื่อครบเศร้าอย่างที่อาตมาบอกที่รูปธรรมที่เห็นได้ขนาดนี้อาตมาขึ้นปีที่ห้าทศวรรษที่ห้าไม่ใช่ปีที่ห ตอนทศวรรษที่5เนี่ยไปถึงทศวรรษที่6ถ้าไปถึงทศวรรษที่6กก็อาตมาทำงานขึ้น60ปีตอนนี้กำลังขึ้นอยู่เลข5 44อีก6ปีจะครบ50ขึ้นเลข6น่ะอีก10ปีจะขึ้นเลข6นับต่อไปอีกอีก10ปีขึ้นเลข นะครบสครบสองเศร้าของสามของสองวงคือเลขเจนี่เป็นเลขเกิดเป็นเลขสัตตขตุปารมาโสดาเป็นเลขให้เกิดความเป็นสัตว์สัตสตะนี่คือสัตว์แม่มันเป็นอจินไตยที่อัตมาอธิบายยากยากแต่เอาเถอะค่อยๆฟังไปผู้ที่พอฟังได้เข้าใจก็จะพอเข้าใจ หลักเจ็สัตตะนี่จึงเป็นหลักของมนุษย์ชาติหรือสัตว์โลกถ้าเป็นสัตว์โลกเดรัจฉานก็ยังไม่ถึงที่จะเข้าข่ายของสัตตะได้ง่ายๆมนุษย์ที่จะครบสัตตะนั้นต้องเป็นระดับถ้าเป็นโพธิสัตว์ก็ถึงขั้นนิยต์ถ้าเป็นพลังงานก็ถึงขั้นนิยะ นิยตะนิยตะในระดับโซดาบันนี่ท่านนับนิยตะซอนมาแค่หนึ่งเข้ากระแสสองเอาม่ปาตธรรมสามนิยตะนะสี่สัมโพธิปรายณนะโดยนับแค่สี่เป็นสัดส่วน แล้วนับเอาสามในสี่สมในสี่คือเนี้ตะเพราะฉะันผู้ใดมีองคุณถึง 75% 3สบสามส่วนเนี่ยมันก็ส่วนหนึ่งมันย5สห้าส่วนสองมันห0สิบส่วนสา ม, มันเจสบห้าส่วนสี่รอยพราะถ้าได้ขีดเลยห้าสิบเลยส่วนสองส่วนแล้วไปหาสามนั่นแหละเติม เป็นนิยตะเต็มพราะเต็มนิยตะหรือนินิน น, นิยนินตะยะถ้านเรียกนิตะยะท่าไม่เรียกนิยตะทีเดียวตรงนี้เป็นความแน่นอนมั่นคงขอ ง, ของเริ่มตน้นสูงขึ้นไปจะไปเป็นนิยตะนั่นนะันอีกอันหนึ่งอันี้นิ น, นิตะยะนะ่ะนิตะยะไม่ใช่นิยะตะ เป็นความมั่นคงแน่นอนต่อเนื่องกันอย่างแข็งแรงนันโสดาบันเริ่มต้นนี่ก็เอาแค่หลักสีสูงขึ้นไปถึงขั้นอนาคามีจะเอาหลักเจ็ดมันหลักเจ็ดจึงเป็นหลักที่สำคัญที่จะเป็นตัวเริ่มของเศร้าที่สามสามสามสามสามนี่สองสามห พอเริ่มจะจะเป็นเศร้าที่สามของอันสไตร์พอเริ่มเต็มเก้าก็เต็มวงวงใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ซ้อนอย่างนี้ไปเรื่อยๆอรเรียกว่าสภาพมุนรอบเชิงซอ้อนนะอาตมาหาภาษาบาลีแล้วได้คําว่าปฏินิสักะสภาพมุนรอบเชิงซ้อนเนี่ยตอนแรกอาตมาก็ว่ามันน่าจะเป็นคํำกลางใหญ่ๆว่าคำพีราว่าพาโซมันกว้างไปมันไม่รู้เรื่อง ปฏินิสักขะเนี่ยเป็นการทวนรอบทวนรอบทวนรอบสร้างสวรรค์สักขะแปลว่าสวรรค์ปฏินิสักขะสร้างสวรรค์แล้วก็อยู่เนื้อสวรรค์ขึ้นไปเรื่อยๆนิสักขะไม่ติดสวรรค์ไม่ติดสวรรค์ไม่ติดสวรรค์ขึ้นเป็นรอบๆรอบๆๆๆเป็นปฏินิสักขะถึงรอบสุดท้ายจากหนึ่ง6 7 8สาี่ห้าก็ดเ้กเป็นศูนก็มาขึ้นใหม่ยก เพงขบวน10บนี่ไปเป็นสิบอก็เป็นหนึ่งสองามสี่ซ้อนซ้อนซ้อนเป็นสภาพมูลรอบเชิงซ้อนไปอีกทับทวีนะเพราะลักษณะของจะรับเป็นหน่วยหน่วยอย่างที่อาตมานับนี่ก็ตามแม้มันไม่ไหวเราเป็นนามธรรมา ท, ที่เป็นหน่วยละเอียดมันก็อยู่ในลักษณะนี้เหมือนกันมันอยู่ในลักษณะนี้เหมือนกันนี่แหะคือความจริงที่คุณจะต้องใช้เป็นหลักประมวล อาตมาว่าที่อธิบายลักษณะนี้อาตมาไม่เคยเห็นใครอธิบายหรอกมันเป็นของเก่าของอาตมามาตั้งแต่ปางบรนที่อาตมามาถึงปีมาถึงชาตินี้อาตมาก็เอามาใช้ใช้ประมาณอะไรๆ อ, อยู่ตา่างๆนานาซึ่งมันมีคุณลักษณะของมันมันมีพลังงานของมันมันมีของมันเองอะ่ะเป็นคุณสมบัติแท้ๆที่เราจะต้องเข้าใจ ไม่ว่าจะเป็นพลังงานทางฟิสิกส์เป็นพลังงานทางวัตถุธรรมก็ตามก็หน่วยนี้เหมือนกันแม้จะเป็นนามธรรมา ท, ทางจิตวิญญาณก็ใช่หน่วยนี้เหมือนกันเพราะผู้ใดเข้าใจหน่วยหยาบตั้งแต่ฟิสิกส์เป็นวัตถุธรรมได้ก็ไปเข้าใจไปใช้กับนามธรรมาอาตมาจึงเอามาใช้กับนามธรรมาและก็วัดให้ฟัง อธิบายให้ฟังอัตมาก็เลยภาคเพียรที่จะต้องพยายามใช้อิทธิบาทที่จะอยู่ให้นานเพื่อความแน่นอนเพื่อความแน่ใจให้ประเทศไทยนี้เป็นประเทศหลักของโลกุตรรธรรมยังพยายามพาคเพียรตสาหะอยู่เนี่ยที่จะรักษาชีวิตเพื่อที่จะให้อยู่นานตั้งแต่ที่อัตมา ไม่รู้นะอาตมาก็ไม่ได้ตั้งใจเจตนามาก่อนอย่างที่เคยเคยรู้ประวัติแต่มาถึงวันนี้แล้วเนี่ยอาตมาว่าโอ้อาตมาเห็นแล้วว่าประเทศไทยมีดี a โอกระทาแล้วยังลงในประเทศไทยแล้วซึ่งอาตมาต้องพูดไปถึงขนาดว่าเมืองไทยเป็นชมพูทวีปแล้วยายออกมาจากอินเดียแล้วเรียบร้อยเราจะอยู่ในประเทศไทยอีกนาน อินเดียเป็นประเทศเป็นดินแดนที่กว้างใหญ่ในยุคโน้นมายุคนี้นี่ใหญ่ไม่ได้ยุคที่เล็กประเทศเล็กแต่มีพลังเป็นตัวอย่างที่สามารถสร้างความเจริญและงสร้างความเป็นมหาอำนาจได้คืออังกฤษประเทศเล็กแต่สร้างตัวเองให้เป็นประเทศมีอาณานิคมทั่วโลกใหญ่ได้เยอะ โดยมีนามมาทำเป็นหลักส่วนแคว้นที่ใหญ่อยู่แล้วและยังไม่แยกออกไปนันก็มีอินเดียกับจีนจีนรักษาตัวรอดมีอาณาต่างๆนาน า, นาอยู่แบบของเขาอินเดียก็มีแล้วก็เขาอยู่อย่างสองใน อินเดียอยู่อย่างเจโตจีนอยู่อย่างปัญญาปัญญาพังเร็วเจโตพังช้าอาตมาไม่ได้พยากรหรอกดูไปเถอะยุคนี้แล้วจีนจะพังก่อนอินเดียพลเมืองพอๆกันพลเมืองสองสองรัฐนี่พอๆกัน แต่มีนามมาทำมีจิตวิญญาณต่างกันอินเดียกับจีนสิ่งเหล่านี้เป็นสัจจะที่อาตมาพูดไปนี่ก็มีคนเข้าใจได้บ้างคนไม่เข้าใจเขาคงจะมีมันเป็นเรื่องที่ทุกอย่างในโลกนี้มันมันเทียบเคียงกันได้หมดตั้งแต่รูปธรรมไปหานมามธรรมเทียบเคียงกันได้หมดถ้าศึกษาเข้าจริงๆแล้ว มันอาตมาที่รู้พวกนี้ไม่ได้รู้มาจากตําราตําราที่ไหนไม่มีอธิบายไว้หรอกมันเป็นเรื่องศักจากที่อาตมามีมาแต่เดิมมาพูดสตกันฟังมาถึงยุคนี้อาตมาก็ต้องมาขยายความพวกนี้ให้พวกเราได้รู้ผู้ใดรู้เอาไปใช้เท่าที่ตัวเองเห็นประโยชน์เห็นว่าใช้ได้ใช้เป็นก็ไปใช้ไม่ง่ายแต่ผู้ที่มีบา ร, รมีมีภูมิเพียงพอกขเอาไปใช้ได้ ซึ่งที่การจะใช้ความรู้พวกนี้มันเป็นการใช้ความรู้เพื่อมวลมนุษยชาติถ้าไปใช้ประโยชน์กับตนเองนั้นด้ไม่รอดหรอกวันนึงก็ตายแต่พยากรได้ด้วยว่าตายโหงเอาไปใช้ไม่รอดหรอกจะ ต, ตายตายโหงด้วยไม่ใช่ตายหาตายหานี่คือการตายด้วยโรค ตายโหงนี่คือตายด้วยถูกฆ่าตายโหงภาษาไทยของเราชัดเจนแสดงว่าอินเดียซึ่งดูเหมือนแบบอนุรักษ์นิยมใช่ไหมครับจีนนี้เป็นแบบหัวก้าวหน้าเข้ากับโลกาพิวัตน์แล้วเขากำลังมองว่าจะเป็นเบอร์อหนึ่งอันหนึ่งคนสวีทีปันหนึ่งโปรเกรสซีฟใช่อนุรักษ์นี่ไปชา้ากว่าเพื่อนอช้าวกว่า อนุรักษ์นี่จยสลายชาไปชาส่วนโปรเกสซีพวกก้าวหน้าเนี่ยไปเร็วพังเร็ว hmm. เอาไหนอ่ะ <c oughs> จะเอาไหนก้าวหน้าเร็วนะแต่ตายเร็วไปชาตายช า, าเศรษฐกิจพอเพียงของได้หลวงก็เหมือนกับ เชื่กันดูรักเหมือนกันแต่สาอเราไ ม, ไ, ม ไ, มไม่ไม่ไม่ไม่ไม่อยากจะไปพูดมากของในหลวงเนี่ยของในหลวงนี่ท่านประธานมาเท่านั้นปางนี้ของในหลวงเนี่ยท่านมาเป็นปางเตมีใบกับมหาชนกภาคเพียรปางนี้ของท่านท่านเป็นโพธิสัตว์ที่ภาคเพียรปางนี้มาทมามันถึงอายุปาง น, นี้แล้วเนี่ย ท่านทำได้ผ้นดีมากนะทำได้เดดพ้นดีมากเลยนะท่านทำได้โอเป็นผู้ที่ไม่พูดไม่ว่าไม่อะไรหลุดปากออกมาที่ควรจะต้องไปกระทบอะไรใครไม่เลยรักษาได้เป็นเตมีใบได้ดีมากนะดีมากแล้วก็ภาคเพียนเอ้ยมหาชนกจริง ไหว้ไปไม่มีจุดหมายเลยแต่ก็จะต้องไหว้อะไหว้ไปทวนกระแสไปไหว้ไปในเวรวางในมหาสมุทรที่ไม่รู้ฝั่งรู้ทิศอยู่ตรงไหนเลยขอให้ได้ไหว้ขอให้ได้ภาคเพียนให้สุดที่แต่มีผลมีผลต่อโรคเพราะโรคขานรับแล้ว ในหวงเรานี่โลกขานรับแล้วยังขานรับไม่กว้างหรอกเพราะว่าคนมันยังอวิชชาคนมันยังไม่รู้ผู้ที่ขานรับเขาไม่พูดออกมาเท่าไหร่แต่ผู้ที่พูดออกมาอย่างชัดเจนที่สุดก็คือกษัตริย์พูตานขานรับแต่เสร็จแล้วก็รวมกันมาขานรับคือสหประชาชาติเขาก็รวมม า, ารับจังมาถวายรางวัลท่าน สิ่งเหล่านี้อจตมาหยิบมาอธิบายประกอบเพื่อหเห็นว่าสิ่งต่างๆพวกนี้นคือรูปคืนนามคือสสารวิญญาณเศษสสารพลังงานไม่ใช่วิญญาณสสารกับพลังงานอยู่ในโลกสอ ง, ส อ, ง, ส อ, งอย่างสองลักษณะคือกายกับจิตนั่นคือสอสิ่งสองอย่างในโลกถ้าเรียนรู้รูปกืนนามแล้วเราจะลึกกว่ากายกับกายกับจิตถ้าจะว่ากันจริง ลึกกว่าภาษาคำว่าพลังงานมันไม่ใช่กายกับจิตลึกกว่ารูปกับนามคำว่ารูปกับนามรูปกับนามมันกว้างแต่กายกับจิตเนี่ยละเอียดกว่าลึกกว่าคำว่ารูปกับนามนะแล้วหว้วันหลังก็ขยายความนะเพราะตอนนี้นี่สรุปรวมแล้วอาตมาเห็นตามปราษาอาตมาจริงเท็จไม่รู้อาตมารับผิดชอบที่อาตมาพูดอาตมาว่าเมืองไทยนี่ก้าวหน้าแล้ว กำลังจะเดินไปดีขอให้ตั้งใจเพื่อมวลมนุษยชาติเราทำในไทยนี่แหละตอนนี้เอาแต่แค่ว่าทำให้ไทยนี่ก่อกู้ประเทศไทยกันก่อนไม่ว่าทางด้านเศรษฐกิจในด้านรัฐกิจหรือร้านการเมืองด้านสังคมมกิจนี่ก็ตามพยายามเถอะเสียสละ อย่าเห็นแก่ตัวเลยยังไงไงขอสักชาติทำเพื่อชาติทำเพื่อประเทศเถอะแล้วคุณจะได้เกิดมาดีถ้าคุณทำดีคุณไม่ได้ไปเกิดที่อื่นหรอกคุณจะเกิดในประเทศไทยนี่แหละเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังจะเดินไปสู่ดีในอนาคตอีกสองพันปีข้างหน้า ประเทศไทยยังจะเจริญรุ่งเรืองไปเรื่อยอีกประมาณ550ปีก็จะตั้งหลักได้อีก500ปีเจริญสูงสุดเมืองไทยอีก500ปีเมืองไทยเจริญสูงสุดตายแล้วมาเกินให้ทันนะถ้าใครจะไม่ตายจะรู้อยู่500ก็เอาอยู่ได้ อยู่ไปเลยดูยดนะอีก150หปีประเทศไทยจะแข็งแรงที่สุดแล้วก็จะเป็นผู้นำของโลกนำโลกไปแล้วก็จะพาประเทศต่างๆของโลกนี่จเจริญไปเรื่อยๆแล้วก็กค่อยๆเต็มที่ห้ารปีไปอีกห้ารอปีก็จะสุดพีกสุด จากนั้นก็จะเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงไปหากลียุคแท้แท้ไม่มีอะไรมาแก้กลับการนนี้เป็นเรื่องสุดท้ายของวัตสุงสารยุคนี้จเจริญไปพัตระกับนี้พัตตกับนี้แต่ละไปในทิศาของโล ก, กุตระถึงถึงยาวได้ห้ารอปีเนี่ใช่พอเริ่มจากห้าร้อยปีไปแล้วจาก500รอปีโล ก, กุตระก็ก จ, ะจะเริ่มเสื่อมไปเรื่อย มันเป็นรูปสามเหลี่ยมที่เขียนไว้อย่างเงี้ยมันจะขึ้นไปตอนนี้ห้าร้อปีพีกสุดแล้วมันก็จะลงจนกว่าจะหมดเชื่อของโลกุตระศูนย์เลยทีนี้พอหมดอีกสองพันก็ปีนี้าศาสนาพุดมดเกี้ยงเลยโลกุตระไม่มีอะไรพูดถึงได้เลยก็จะเหลือแต่พระเหลืองน้อยห้อยหูอะไรที่เขาทำรนนั่นแหละพระเหลืองน้อยห้อยหูเลยจับ จะขึ้นมาก็เป็นดาบซัดกันน่าดูเลยนั่น ะ, น ะ, นะเป็นอย่งงางนั้นไปหมด น, นี่คือเรื่องที่จะบอกให้รู้ตัวให้ได้รับทราบกันว่าประเทศไทยสังคมไทยกำลังเกิดอะไรขึ้นและกำลังจะดำเนินไปอย่างไรเพราะให้ตั้งใจตั้งสติกันเถอะ ปฏิบัติตนลดล ะ, ล ะ, ละกิเลสลด ค, ความแขงแกร่ตัวกันจริงจริงมันไม่ได้ก็กดข่มเอาไว้การกดข่มเอาไว้ไม่ใชไ่ไม่ได้ผลนี่ผลนะนี่ผลเป็นทางเจโตสมถะได้ได้ประโยชน์มันเป็นพลังเป็นพลังแห่งการใช้พลังรวบรวมเป็นพลังทางสมถะเป็นพลังในทางพลังงานศักด มันจะเป็นจริงๆนะเป็นเรื่องของสแตติกด้านสแตติสั่งสมไปนะเพราะนั้นผู้ที่ถนัดในทางดนามิกในทางเคลื่อนไหวในทางออกตัวในทางใจโตไปทางปัญญาก็ทำไปพัฒนาไปรวมกันะร่วมกันแล้ว ม, มันก็จะเจริญไปได้นะ เอาละอาตมาได้ใช้เวลามาเหลืออีก2องนาทีสุดท้ายท่านครับเป็นมอนเตเจอร์ก็จัดการแล้วกันวันนี้ดูเหมือนไม่มีใครง่วงเลยวันนี้ยังไม่ได้เข้าลึกลกครตรล่าเท่าไหร่พูดเอานอกชอบเข้าในแล้วก็งหลับงบงับงบงับครับก็ถ้าถ้าดูทิศทางที่พ่อครูพูดมาทั้งบดเนี่ยอาตมานึกถึงสมัยที่เริ่มต้น ปีพศ2516ที่เราเริ่ ม, มต้น216จับกลุ่มกันในใหม่เนี่ยนึกถึงว่า เ, เราจะไปเผยแพร่มังสวิรัตให้ใครเนี่ยแต่มาดูดูสภาพสังคมไทยมันเหมือนกับจะเดินทะลุภูเขาได้ยังไงอ่ะนะคือมั น, มนรู้สึกเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะก็ขุดที่เมือก็ใคระ่ะชาวอินเดียชาวอินเดียคนนั้นน่ะขุดภูเขาทะลุเลย ค, คนเดียวเลย ดูว่ามันเป็นความยากมากเค <c oughs> ยมาเดี่ยมหลวงพ่อธรรมชาติหลวงพ่อธรรมชาติกําลังปิติท่านบอกโอ oh, ้ทติัณฐ์มังสวิรัตินี่ท่านคิดได้แล้วไม่ใช่เฉพาะนักบวชกินนะ่จะชอบชอบบวชชั้นอย่างเดียวคารวะก็ควรจะกินได้อะไรท่ากนกำลังคิดคือมันเป็นเรื่องที่มืดแปดด้านเลยว่าจะให้ขยายามังสวิรัติไปสู่ฐานคารวะได้อย่างไรแต่ว่าหลังจากนั้นห้าปีสิบปีจนทุกบันนี้เนี่ย แต่ก่อนนี้ยังมีอภิปรายนะจัดที่กรมประชาสัมพันธ์มาโต้กันว่ากินเนื้อสัตว์กินมังสวิรัตรดดิดีไม่ดียังไงทุกวันนี้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเหมือนเราทะลุภูเขาทะลุกำแพงถึงที่ว่ายากมากอะไรเนี่ยมันมันผ่านไปได้อย่างทะลุได้อย่างง่ายดายจนจนจ น, จ น, จนไม่มีใครสงสัยแล้วนะั่นยนสิบกว่าปีสมัยก่อนพอพ่อครูพูดเรื่องจนเนี่ยจะิยธรรมของเราที่เป็นค น, คนถนิดสนิททีเดียว บอกก็นรับไม่ได้เลยเพราะเขาเป็นพ่อค้ามาบอกให้จนเนี่ยเขาต้สึกฟังแล้วอะไรก็ฟังได้แต่บอกว่าต้องมาจนเนี่ยเข า, เขาฟังไม่ได้จนทุกวันนี้รู้สึกว่าจะเป็นความชาวโศกเนี่ยแข่งกันจนใหญ่เลยนะตั้งใจจนตเต็มใจจนเนยจนไม่ลงสักทีจนไม่ไม่รู้มีใครนะทุกคนจนไม่ลงหรือเปล่า จนรู้สึกว่าจะเป็นคําฮิตกันว่าเราเกิดมาต้องจนเนียจนไปให้ได้อะไรอย่างนี้อมันคานแ ย, งย่งกันขอให้รวยขอให้รวยเ ร, รขอให้จนขอให้จนครับก็ก็ดูว่าสิ่งที่พอขึ้นสัตวตรรษที่ห้าที่พรอครูบอกเนี่ยการศรวัตไม่ใช่สัตวตรรษครับขออภัยครับขอบคุณพระครูครับทศวรรษที่ห้าเนี่ย แต่เดิมเราจะทํางานฟรีไม่มีเงินเดือนไม่มีไรายได้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยากมากที่จะมีสักคนหนึ่งเข้ามาแต่ก่อนสนาํานักก็ต้องทํางานเองเกือบหมดแต่ทุกวันนี้ที่พ่อครูบอกว่าเออถ้าไม่มีพ่อครูอยู่เนี่ย ม, มั่นใจไหมอาตมามองพัฒนาการของยติธรรมที่เข้ามาทํางานแต่ก่อนเราจะประชุมกันทีนึ่งเนี่ยทำงานอะไรทีนึงพ่อครูก็จะมาเตวตลอดเวลาเอาเลือกเถียบกันได้แล้วเลือกเถียบกันได้แล้ ว, ล ไ, ลวไปทำงานสักทีนึงนีจะต้องใช้เวลามาก แต่ทุกวันนี้เราไปลงภาคสนามแทบจะไม่ต้องคุยกันมากอะกากะกันไม่เท่านั้นเองแล้วเวลาไปจริงเนี่ยเราก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนมันเหมือนกับใจของเรามันเป็นสอดคล้องเป็นในหนึ่งในเดียวกันแล้จะจัดงานตามระยะบางทีรู้ล่วงหน้าวันเดียวจัดกันไปเลยนะแต่ก่อนต้องเตรียมกันเป็นปีๆแต่ทุกวันนี้มันเหมือนกับใจของเราที่จะพร้อมเนสอดประสานพร้อมที่จะเข้ามาพร้อมที่ไม่ต้องแต่งตั้งอะไรกันเนี่ยแต่ก็เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในเดียวกัน จนการทํางานของพวกเราที่ระดับไม่เอาราบแลกลาบนะแล้วก็สุดข้อสุดท้ายนะเป็นสมาชิกว่ที่ไม่ไม่เอาลาบแกลกราบเนี่ยนะจนจนเป็นที่เป็นปกติของพวกเราจนพ่อครูพราวออไปทํางานกับสังคมกระทบกับสังคมนะทำงานร่วงปบะวุมหาประชาชนไปรับใช้เขาไปยืนหยัดยืนยันการทํางานฟรีไม่มีเงินเดือนให้มีไรายได้ไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเนี่ยออกออกไปแพร่หลายออกไป มันรู้สึกว่าลำดับเหตการ์ที่พ่อครูพาพวกเราทําเนี่ยทิศทางของโลกุตละนับวันนวันนับวันเนี่ยมันก็มีความชัดเจนมากขึ้นจากแก่เดิมเที่หาคนแทบไม่ได้เลยแค่จะเลิกกินเนื้อสัตว์แต่ก็ค่อยๆมีมากขึ้นมากขึ้นถ้าเราดูเจ้าสํา น, นักใหญ่ๆท่านเจ้าคุณนอครูบาศรีวิชัยหรือพระที่ดังๆที่เป็นที่เคารพนับถือเนี่ยส่วนใหญ่แล้วประวัติก็คือว่าท่านฉันบางซัดได้องเดียวอะ่ะไม่มีบอกไว้เลยว่าลูกศิษย์เนี่ย มีใครลูกศิษย์มีกระบวนการทําทําได้บ้างนะแต่ว่าถึงที่พ่อครูปลูกฝังมาเนี่ยก็อย่าว่ามันขนาดที่เรียกว่าเรื่องเนื้อสัตว์่ะเป็นเรื่องจิ๊บจอยเรื่องเล็กๆไปแล้วแต่เรื่องที่ว่าใช้ชีวิตแบบนักบวชใช้ชีวิตแบบไม่มีไรายได้ไม่มีเงินเดือนที่ออกไปเป็นกว้างขวางออกไปนะแล้วเราก็จะเห็นประทับใจของมวลมหาประชาชนที่ที่เขาออกมาทํางานต่อสู้เพื่อประเทศชาติโดยเขาก็ไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน อันนี้ก็น่าจะเป็นสัญญาณที่พระครูบอกว่าสัญญาณของโลกุตโลกุตาลานเนี่ยเริ่มหยั่งลงโอคาธานะเริ่มหยั่งลงเริ่มปรากฏนะไอเป็นทีวีคงจะทําให้ภาพเหล่านี้ค่อยค่ยขยบินค อ, อาภายนะัยมาตกตกสมัยมากมากเลย <c oughs> บุญโยมทีวีนะก็คงจะค่อยๆฉายภาพเหล่านี้ให้สมบูรณ์ขึ้นอย่างเงี้นพวกเราก็คงจะต้องช่วยกันสร้างนะโลกุตาละ ที่พ่อครูบอกว่าจะไปอีกถึงห้าร้อยปีที่จะสมบูรณ์นะอย่างนั้นก็จะไปได้ถึงห้าร้อยคำตอบคงอยู่ที่ปีพอสอนี้แหละที่เราช่วยกันทำได้แข็งแรงมากเท่าไหร่แรงเหวี่ยงก็จะไปถึงตรงจุดนั้นได้วันนี้ต้องกราบขอบคุณพ่อครูมากนะครับก็ขอจะเรีนทำพวกเราทุกๆคนนะ